เจี๋ยวต่อไปก็ศึกษาในเร <im> ื่องของกุศลศีลต่อในภาคเช้าได้บรรยายเกี่ยวในเรื่องของอริยสัจทุกสมุทัยนิโรธแล้วก็พูดในเรื่องของมรรคในข้อแรกก็คือพูดเรื่องศีลก็ได้พูดถึงในเรื่องของจารีตศีลแล้วก็วาลิตศีลจาลิตศีลก็คือสําเร็จด้วยศรัทธาและวิริยะ ส่วนวริตรศีลก็สำเร็จได้ศรัทธาคือความเชื่อมัน่นอันได้กล่าวไปแล้วก็จะพยายามสรุปในคำวิสุที่มักอาจจะไม่ได้สามารถเก็บในรายละเอียดได้ทั้งหมดแต่ก็จะอธิบายความหมายเท่าที่เห็นว่ามันจำเป็นและสมควรเนานะแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อการฝึกการประพฤติปฏิบัติพูดถึงในการอธิบายศีลสองอย่างในหมวดที่2เหมือนกัน พูดถึงเรื่องของอภิสมาจาระเขาแปล ว, ว่าความประพฤติอันสูงส่งนี่เป็นศีลของภิกษุคําว่าอภิสมาจาระเนี่ยหรืออภิสมาจาลิกะศีลที่เป็นความประพฤติอันสูงส่งศีลที่ทรงบัญญัติเพื่อปารบความประพฤติอันสูงส่งนี่เป็นมรรคศีลผลศีลหรือศีลที่เกิดร่วมกันกับมรรคจิตและผลจิต คำนี้เป็นชื่อของศีลของภิกษุด้วยของภิกษุณีด้วยที่นอกเหนือไปจากอาชีวธรรมกศีลศีลที่มีอาชีวะเป็นที่8ปนั้นตามความหมายแรกเนี่ยอภิสมาจาริกาศีลเนี่ยก็คือศีลที่เป็นความประพฤติอันสูงส่งอันได้แก่ศีลของภิกษุที่สูงกว่าอาชีวธรรมกศีลที่เป็นศีลของเครือขัดคือศีลของภิกษุดังกล่าวนี้แหละความหมายหลัง อภิสมาจาริกาศีลก็คือศีลที่ทรงบัญญัติปารมความประพฤติอันสูงส่งได้แก่มรคศีลผลศีลศีลที่เกิดร่วมกับมรคจิตและผลจิตเนี่ยคำว่าอภิอภิออสมาจาริกะเนี่ยมีความหมายอยู่2ประการในคัมภีรุสติมักนะศีลที่เป็นความประพฤติอันสูงส่งมาจากคาว่าอภิสมาจาโรเอวะอภิสมาจาริกังเนี่ยอันนี้เป็นสูงส่งประการที่2 ศีลที่ทรงบัญญัติปารบความประพฤติอันสูงส่งอันนี้ก็คืออภิสมาจารังอาระพะปัญญัตตังอภิสมาจาริกังทีนี้พอพูดถึงตรงนี้ก็มาสรุปคําว่าอาชีวธรรมะกศีลก็คือศีลที่มีการเลี้ยงชีพเป็นที่8หมายถึงศีลที่มีจํานวน8ข้อเพิ่มการเลี้ยงชีพขึ้นมาเป็นข้อสุดท้ายก็คือเป็นกายสุจจริต ส, สามวาจีสุจริตสเป็น7ใช่ไหม สมาชีวะอีกข้อหนึ่งก็กลายเป็นเลี้ยงชีพชอบอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นพะพูดถึงในเรื่องของอาภิสมาจาระหรืออภิสมาจาริกาศีลศีลที่มีความประพฤติันสูงส่งเนี่ยอันนี้เป็นศีลที่อยู่ในระดับสูงแล้แต่ถ้าเป็นอาชีวะธรรมกศีนเนี่ย ย่บริบูรณ์แก่บุคคลผูล้ละเว้นจากการยทุจริตวจีทุจริตสการยทุจริตสนี้เป็น7จนะ็ดบำเพ็ญสุจริตทั้งสองอย่างเท่านั้นไม่บริบูรณ์แก่บุคคลอื่นฉะนั้นจึงตรัสสัมมาชีวะในลําดับต่อจากสัมมาชีวะและสัมมากรรมตะออสัมมาวาจาสัมมา ว, าวาจามีอยู่4ใช่ไหมเว้นจากการพูดเท็จข้อหนึ่งเว้นจากการพูดส่อเสียดอีกข้อหนึ่งเว้นจากการพูดคําหยาบอีข้อที่3เว้นจากการพูด เพอเจอเป็นข้อที่4นะและทางกาย3เว้นจากการฆ่าก็เป็น5แล้วเว้นจากการลักทรัพย์เป็น6เว้นจากการประพฤติผิดในกรรมก็เป็น7แล้ว ก, ก็การเลี้ยงชีพชอบเพิ่มมาอีกข้อนึงเขาเรียกอาชีวธรรมกศีนศีนที่มีอาชีวะเป็นที่8นี่เป็นความกรวาดก็เป็นกายสุจริตสามวิจีสุจริต4แล้วก็การเลี้ยงชีพที่หมดจด อันนี้อันนี้ต่างต่างจากอภิษอภิษมาจาริกะศีลซึ่งเป็นการประพฤติศีลที่สูงส่งถ้าเจาะลงไปก็เดินมกกรคศีลผลศลีลนั่นเลยศีลที่ประชุมในอาเดียมรคอาเดียผลส่วนประการต่อมาคืออาทิพรมจาริกะก็คือศีลที่ควรเจริญเป็นเบื้องต้นของพรมาจันพรมารย์ในป ร, รีตของมรค ก, ก็คือนี่แหละเบื้องต้นที่เรากระทาเนี่ย คำนี้เป็นชื่อของอาชีวธรรมกสีลด้วยนะเพราะศีนั้นเป็นเบื้องต้นของมรดเนื่องจากเป็นศีลที่ต้องชําระให้บริสุทธิ์ในการเบื้องต้นก่อนที่จะเจริญสมถะก่อนที่จะเจริญนิพพานญาณเนี่ยฉะนั้นกายกรรมวจีกรรมและการเลี้ยงชีพของภิกษุเนี่ยที่บริสุทธิ์นี่แหละนั้นก่อนที่จะไปเจริญสมาธิปัญญานี่แหละก่อนจะเจริญนิพพานญาณนี่ยกลุ่มตรงนี้ ถ้าเป็นศีลของพระภิกษุทั้งหลายเนี่ยประชุมลงก็มีแค่นี้แหละประชุมก็คือเพื่อวัตถุประสงค์ก็จะได้กายสุจริตสเออกายสุจริตสาวจีตรจริตสีก่การเลี้ยงชีพที่บริสุทธิ์นะศีลทั้งหมดเนี่ยมาประชุมลงตรงนี้แหละถึงจะมีข้อ ง, งดเว้นอย่างไรก็แล้วแต่วัตถุประสงค์ก็คือต้องการที่จะทําให้อาธิปรมาริกาศีล น, นี่แหละศีลที่เป็นเบื้องต้นของ อรียมักนี่แหละเกิดขึ้นฉะนั้นอาทิพรมจริกาศีลก็คืออาชีวธรรมกศีลที่าาคารวะควรปฏิบัติก่อนเจริญสมถาวิปัสนาเพราะผู้ที่รักษาศีลดังกล่าวย่อมไม่เกิดวิปฏิสารก็จะไม่เกิดความเดือดร้อนใจเพราะพิจารณาดูกายก็สะอาดวาจาก็สะอาดอาชีพก็บริสุทธิ์แล้วก็จะทําให้เป็นปัจจัยให้เกิดปราโมทเนีไม่เดือดร้อนใจอาวิปฏิสานี่แหละ ไม่เกิดวิปฏิสารคือความเกิดความเดือดร้อนใจพอความไม่เดือดร้อนใจเกิดขึ้นก็เป็นปัจัยเกิดปราโมดปราโมดก็ปีติอย่างอ่อนจากปีติอย่างอ่อนก็พัฒนาไปสู่ปิติที่แก่กล้าแล้วก็ไปถึงพัฒนาถึงปสัสธิกายก็สงบใจก็สงบแล้วก็เป็นปัจัยต่อสมาธิคือความตั้งมั่นแห่งจิตแล้วก็เป็นปัจัยแกยถาภูตยาทัศนะเป็นต้น น, นี่ปัญญาที่รู้เห็นตามความเป็นจริง จนกระทั่งบรรลุถึงมรรคพรหมจรรย์คืออริยมรรคอันเป็นจุดหมายของการปฏิบัติธรรมะก็เป็นอธิพรหมจรยิยก็เป็นอธิพรหมจริหรืออธิพรหมจริยักหรือิยักกัดศีนก็คือศีลที่เป็นเบื้องต้นเนี่ยอีกอย่างหนึ่งถ้าพูดถึงในเรื่องของอภิสมาจาริกักศีนก็คือศีลที่ตรัสว่าเป็นสิกขาบทเล็กน้อยด้วยนะ เว้นสังคาที่เศษ13ข้อเป็นต้นทธิปรมจริกศีลศีลคือศิกขาบทที่เหลือจากปารชิก4ข้อเป็นต้นเขาก็เรียกกันน่นะอันนี้ตรงนี้ก็ตีในยา ก, กันไปค่อนข้างบัญญัติกันไว้หลายเรื่องพระพุทธเจ้าทรงตรัสแก่พระนนท์ในเวลาใกล้จะปรินิพพานบอกว่าอากังขมาโ น, นานันทสังโคมมัจเยนะ ขุ ท, ก า, ขทกานุขุทกานิสิกขาปธานิสมูหะเนยะอนนลเมื่อเราร่วมไปแล้วสงหวังอยู่พึงถอนสิกขาบทเล็กน้อยได้เนะี่ยอันนั้นตอนที่พระพุทธเจ้าจะปฏิพานก็ทรงประกาศว่าเออถ้าพระพุทธเจา้าปฏิพานแล้วสิกขาบทใดเล็กๆ น, น้อยๆสงพึงเห็นสมควรก็พึงทดเพิกถอนได้นั้นเป็นพุทธานุญาตซึ่งบอกไว้แต่ท่านพระอนนไม่ได้ทูลถามพุทธภพองค์พุทธองค์งเรื่องสิกขาบทเล็กน้อยคืออะไรดังนั้น พอเข้าถี่ที่ประชุมสงฆ์พระมหากิตกสปะเทระซึ่งเป็นประธานของภิกษุได้ประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยยติทุติยากรรมวาจาว่าเมื่อตกลงกันไม่ได้เนะมื่อสงฆ์ไม่สามารถจะตกลงกันได้ว่าสิกขาบทเล็กน้อยนั้นจะนับอย่างไรเราไม่อาจจะรู้พุทธประสงค์ที่แน่นอนที่ถ่องแท้คือความสามารถของสงฆ์ไม่ถึงนั่นเองในยุคนั้นไม่สามารถจะรู้พุทธประสงค์ว่าสิกขาบทเล็กน้อยคืออะไร ก็เลยประกาศทุติยกรรมวาจาว่างรงไม่ควรบัญญัติสิ่งที่ไม่ได้ทรงบัญญัติและไม่ควรถอนพระบัญญัติที่ญญราารทรงบัญญัติไว้แล้วก็บอกควรสมาทานประพฤติตามสิกขาบทที่ทรงบัญญัติไว้แล้วเท่านั้นพอพูดอย่างนี้ก็เลยฝ่ายเทราวาจก็เลยไม่ยอมเพิกถอนไม่ยอมบัญญัติเพิ่ม ในอังคุตระนิกายติกานิบาตในสิกขาสูตรพระองค์ตรัสว่าพระโสดาบันและพระสกาธาคามีเป็นผู้บำเพ็ญศีลให้บริบูรณ์ก็แปลว่าอะไรฉะนั้นถ้าใครเป็นพระโสดาบันหรือพระสกาธาคามีเนี่ยพระอริยบุคคลสองจำพวกนี้จะเป็นผู้สามารถบำเพ็ญกุศลศีลให้บริบูรณ์เกิดขึ้นในกระแสชีวิตส่วนพระนาคามีเนี่ยเป็นผู้บำเพ็ญศีลและสมาธิให้บริบูรณ์เน่ยไหมถ้าเป็นพระนาคามีเนี่ยไม่ใช่แค่ศีลอย่างเดียวเลย สมาธิก็บริบูรณ์ด้วยสังเกตตรงไหนรู้ไหมบุคคลที่สามารถทําศีลในบริบูรณ์อย่างเช่นพระโสดาบันเนี่ยท่านจะปิดอบายภูมิได้ฉะนั้นถ้าใครสามารถรักษากุศลศีลให้บริบูรณ์เท่าไหร่โอกาสที่จะไม่ลงไปสู่เป็นไปเกิดในอบายทุกขติวิบ่ตวิลลกนั้นก็มีมากเท่านั้นถ้าเป็นพระโสดาบันก็ปิดประตูบายพระพระสกาทาคาไม่ต้องพูดถึงฉะนั้นท่านจึงเป็นผู้บาเพ็ญศีลนั้นบริบูรณ์แต่ถ้าเป็นผ้านาคาเนี่ย ด้วยการที่ท่านกำจัดการบราคะกำจัดปฏิฆะคือโทสะเป็นต้นด้วยการบราคะเป็นต้นด้วยท่านจึงไม่มีเชื้อในการที่ต้องมาเกิดในกาลมาภูมิสมาธิของท่านจะขึ้นบริบูรณ์ในกระแสะชีวิตของท่านทัน ท, นทีด้วยการที่ไม่มีธรรมะที่ไปรบกวนสมาธิอย่าลืมนะว่าไอตัวสภาพธรรมที่ไปรบกวนสมาธิเนี่ยไปทําลายสมาธิที่เห็นเนชัดก็คือการมาฉันท่านิวร์เนี่ยเนี่ยเป็นทําลายอย่างแรงเลยพยาบาทนิวร์เนี่ยนะ ทีนัมิถานิวรหนุธะจานุวรอุทะจากุกุจานิวรแล้วก็วิจิกิจานิวรสิ่งต่างๆเหล่านี้ท่านละได้พอละสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้แล้วเนี่ยจึงกลายเป็นว่าพระอนาคาทั้งหลายพระท่านจึงมีสมาธิที่บริบูรณ์ส่วนพระอรหันต์นั้นท่านบำเพ็ญทั้งศีลทั้งสมาธิและปัญญายบริบูรณ์อาจจะต้องอาบัตเล็กน้อยที่นอกจากนะหรือออกจากอาบัต ได้แต่เป็นผู้มีสีที่มั่นคงในสิกขาบทที่เป็นเบื้องต้นของพรหมจรรย์ซึ่งก็คือมหาศีสีอันได้แก่ปราชิกสีเป็นต้นเหล่านี้นั่นแหละในอัฐฐอตถคถาขุตานิกายนะท่านกล่าวบอกว่าสังขารที่เศษชื่อว่าขุตกะคือสิกขาบทเล็กน้อยทุลจัยก็ชื่อว่าอนุขุตกะสิกขาบทเล็กน้อยด้วยทุลจัยก็ชื่อว่าขุตกะสิกขาบทเล็กน้อยปฏิจิติก็ชื่อว่าอนุขุตกะสิกขาบทเล็กน้อย ปจิตีก็ชื่อว่าขุทกกะสิกขาบทเล็กน้อยปฏิเทศนิย่ทุกกฎทุกภาษิตก็ชื่อว่าอนุขุทกกะสิกขาบทเล็กน้อยเนี่ยแต่พระผู้ทรงอังคุตระนิกายกล่าวว่าสิกขาบทที่เหลือทั้งหมดยกเว้นปราชิก4ีชื่อว่าทุกขุทกะหรือสิกขาบทเล็กน้อยเป็นต้นอะไรเนี้ยลักษณะอย่างนี้ก็เป็นการถกเถียงกันในยุคนั้นอยู่แล้วเนี่ยหาข้อยุติกันไม่ได้เนี่ยตรงนี้นะนี่ยกมะกล่าวถ้าเราได้เกิดความเข้าใจในในใ น, ในเบื้องต้นคนนี้ไว้ อันอีกอีกประการหนึ่งก็คืออภิสมาจาริกะศีนก็คือศีนที่นับเข้าในอุปโตวิพังก็ได้หรืออาทิ พ, พระมจาริกะศีนก็คือศีนที่นับเข้าในขันตะวัดคำว่าอุปอุปโตวิพังเนี่ยก็คืออธิบายภิกขุปาิโมกและภิกุณีปาิโมกทั้งสองฝ่า ย, ยจำแนกเป็นภิกขุวิพังก็มีศิกขาบท227ี่สนับรวมอธิการณ์สมถ่ยเจข้อด้วย พิคุณีวิพังก็สิกขาบท311ข้อนับรวมอันกรณสมัถัย7ข้อเนี่ยอันนี้ก็เป็นอภิสมาจาริกะเนี่ยศีล ส, ส่วนขันตกาวัดข้อปฏิบัติมีอุปชายวัตรเป็นต้นเหล่านี้นะก็ได้แก่วัดที่อุปชายญาควรปฏิบัติแก่สิทธ์หรือสัตว์ที่วิหาริกวัตรวัดที่สิทธพึงปฏิบัติแก่อุปชายญาเป็นต้นปรากฏในพระวินัยปิดกในมหาวัตรในจุรวัตร อาทิพรรมจาริกาสีลย่ำสำเร็จได้ด้วยความสมบูรณ์แห่งอภิสมาจาริกาสีนนั้นดังพุทธดําลัดบอกว่าโสวตาภิกขเวภิกขุอภิสมาจาริกังธรร ม, มังอปริปูเรตาวาอาทิพรรมาจาริกังธรร ม, มังปริปูเรสสิตสติติเนตังฐานังวิชติบอกว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นไม่ทําอภิธมาจาริกาสีนให้บริบูรณ์แล้วจักทาอาทิพรรมาจาริกาสีนให้บริบูรณ์ข้อนั้นไม่ใช่ฐานะ ที่จะมีได้อย่างนี้เป็นต้นืออาทิปรมาริการสีสำเร็จได้ด้วยความสมบูรณ์แห่งอภิสมาจาริกศสีนั่นก็หมายความว่าเมื่อภิกษุรักษาอภิสมาจาริกศสีก็คือการรักษาไม่ล่วงละเมิดมีบัตปสังขารที่เศษเป็นต้นโดยการหลีกเลี่ยงโทษเล็กน้อยเธอย่อมไม่ล่วงละเมิดอาธิปรมจาริการสีก็คือประชิกสี่ข้อที่มีโทษอย่างแรงแน่นอนอย่างนี้เป็นต้น อันนี้ท่านแยกกันในรายละเอียดตรงนี้นะท่านแยกเป็นหลายมุมหลายหลายกลุ่มอันนี้จับประเด็นให้ชัดศีลสองอย่างเช่นนี้จำแนกเป็นอภิสมาจาริกศีลและอธิพรมจาริกะยะหรืออธิพรมจาริยกะกาศีลก็คือว่าสรุปความตรงนี้อภิสมาจาริกศีลและอธิพรมจาริกศีลมีมีสประการใน3ประการนั้นหนึ่งอภิสมาจาริกศีลก็คือศีลที่ทรงบัญญัติ ด้วยความปารบความประพฤติอันสูงส่งสูงสุดจริงๆเอามารคศีนผลศีนอันนี้เอาสูงสุดเอาโลกุตลาศีนเลยส่วนอธิพรหมจริกศีลก็คือศีลที่เป็นเบื้องต้นของพรหมจันทร์ของมรคอันนี้เริ่มตั้งแต่เบื้องต้นไปเลยใ น, ในปฏิโมกข ส, สังวรศีนนั่นความหมายหนึ่งความหมายที่2อภิอภิสมาจาริคศีลศีลที่ตรัสว่าเป็นสิกขาบทเล็กน้อยนี่เอาสังขารที่เศษสิสามข้อเป็นต้นนะ ลงมาเอาลงมาจากสังกัธิเสร็ลงมาส่วนอาธิธรรมจาริกศีลก็คือสีขาวบทที่เหลือมีปลาราชิกสี่คอเนี่ยนี่ในย้าที่สองส่วนในย้าที่สอภิสมาจาริกศีลศีลที่นับเนื่องเข้าในอุปโตวิพังก็เป็นเรื่องของภิคุปาดิโมกภิกุนีปาดิโมกเป็นอภิสมาจาริกศีลส่วนอาธิธรรมจาริกศีลสีลที่นับเนื่องเข้าในขันทกวัดมหาวัดอันนี้เป็นเบื้องต้น โดยมากที่เราใช้กันก็ในหมวดที่3นี่แหละถ้าเป็นอภิสมาจาริการศีลก็นั่นเลยเอาพิกขุปฏิโมกพิกุณีปฏิโมก้ น, น221ข้อกับ311 ข, ข้อของภิกษุณีส่วนอธิปรมาริการศีลศีลที่เป็นเบื้องต้นเนี่ยเอาเจตเอาจาริเอาจารีกศีลก็คือศีลที่เป็นธรรมเนียมข้อประพฤติปฏิบัติมีอุปชายวะัดอันเทวศกวาฏเป็นต้นเหล่านี้อันนี้ก็อธิบายกันไป อภรรการต่อมาก็คือหมวดที่3ศีล2 อ, อย่างหมวดที่3ก็คือวาฤตศีลเอ่อไม่ขอไปวิรติศีนสีลที่เป็นการงดเว้นการงดเว้นจากปาณาติบาตงดเว้นจากอธินนาทานงดเว้นจากการมีสุมิชฌาจารย์งดเว้นใน ก, การพูดเทศเป็นต้นเนี่ยเขวิรติศีลวิรติ น, นั่นเองอวิรติศีลก็คือศีลที่ไม่ใช่การงดเว้นอันนี้เป็นเจตนาศีนเป็นความตั้งใจ ความตั้งใจก่อนเนี่ยไม่ใช่เกี่ยวกเกี่ยวกัรงดเว้นไอเจตนาคือการตั้งใจจะรักษาศีลกับตัววิรตีเป็นตัวงดเว้นในคนละตัวกันนะใน2 อ, อย่างนี้มีความต่างกันก็คือว่าเออถ้ามองในส่วนของวิรตตศีลก็คือสัมมาวาจาสัมมากัมมันตาสัมมาวิชาอาชีวะไอมีเป็นตัวงดเว้นเลยเป็นสภาพที่งดเว้นเช่นสภาวะธรรมที่สามารถงดเว้นจากการฆ่าได้ เช่นถ้ามีเวรเจตนาอกุศลที่เป็นเหตุแห่งการฆ่าเกิดขึ้นในใจพอใจคิดจะฆ่าสัตว์ขึ้นมาเกิดขึ้นมาปุ๊บก็มีสภาพธรรมที่เกิดขึ้นมากระตุ้นเตือนขึ้นมาให้มีการงดเว้นจากการฆ่าไอ้สภาพเป็นการงดเว้นจากการฆ่านั้นเนี่ยก็เรียกสัมมากัมมันตะอาชีวะไอ้วิรตีสัมมาชิวะกัมมตะวิรตีเนี่ยก็มานั่งแท่นในใจปุ๊บก็มาทำมาตัดรอนเจตนาชั่วร้ายที่จะทําให้กระแสชีวิตไปฆ่า ทำให้มีเจตจำนงที่จะไปฆ่าก็สามารถตัดรอนเจตนาชั่วลายได้อันนี้ก็เรียกวิรติหรือเจตนาชั่วลายที่เกิดขึ้นจากการคิดจะรักเนี่ยนะก็สามารถงดเว้นได้ในขณะนั้นจากคิรีโอตปาก็ดีจากการระลึกถึงที่ตั้งใจมาก็ดีเนี่ยก็สามารถงดเว้นได้ประเดี๋ยวเดี๋ยวนั้นเลยอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เขาเรียกว่าวิรติศีล น, นะเกี่ยวกับเรื่องของสัมมากัมมันตะ หรือถ้าหากเกี่ยวกันในเรื่องของสัมมาวาจา ก, ก็คือเวลามีเวลาเจตนากุศลที่เป็นเหตุการจะกล่าวเท็จเวลาจะกล่าวเท็จเนี่ยจะพูดโกหกขึ้นมาอย่างนี้นะก็สามารถละได้ทันทีในขณะนั้นด้วยความละอายต่อบาปเกรงกลัวต่อบาปก็ได้ด้วยศรัทธานในพระรัตนตรัยก็ได้ด้วยการระลึกถึงเจตจำนงที่ตนเองเนี่ยตั้งแต่บวชมาไม่เคยมีการกล่าวเท็จเลยอย่างนี้เป็นต้นพอระลึกได้แล้วก็เกิดสํารวมระวังก็ละ เจตนาชั่วร้ายในขณะนั้นได้การละได้หรือสภาพที่สามารถละได้เขาเรียกอะไรเขาเรียกว่าสัมมาวาจาวิรตินืงอเว้นจากการพูดเท็จได้ทันทีเออเวลาเกิดการมีเจตนาชั่วร้ายที่จะพูดให้คนแตกกันนะืมีเจตนาชั่วร้ายแล้วเอาละจะพูดให้สองคนเนี่ยเทะเลาะกันเสียทีเนี่ยพอทําท่าจะเปล่งวาจาออกมาก็ระลึกได้ทันทีเลยโอ้เนี่ยความชั่วเช่นนี้ไม่ควรแก่เรา เกิดความละอายชั่วกลัวบาปขึ้นมาก็เกิดสภาพที่เข้าไปตัดรอนเจตนาชั่วร้ายที่เป็นเหตุแห่งการจะกล่าวคำส่อเสียดนั่นได้อย่างนี้เรียกสัมมาวาจาวิรตีมาตัดรอนเข้าใจยางอย่างนี้เป็นต้นอันนี้สามารถจะยกตัวอย่างได้เยอะแยะหมดนะทีนี้มีเจตนาชั่วร้ายที่เกี่ยวกับารเลี้ยงชีพที่ผิดสมมติว่ า, าไปบินธบาต เดินเดินเดินไปเอ๊ะทำยังไงก็ไม่ได้อาหารสัทีทอย่ากกันนั้นเลยอ่ะเราจะนั่งเราจะยืนทำท่าให้มันดูเคร่งขรึมที่สุดนี่แหละเอายืนหลับตาซะเลยการยืนหลับตาของเรานี่แหละจะได้เป็นเหตุทําให้คนศรัทธาเมื่อคนศรัทธาแล้วเขาได้สําคัญว่าเราเป็นคนสํารวมระวังจากการที่เป็นสํารวมระวังแล้วเขาเราจะได้อาหารอันเลื่อาหารที่ดี น, นะนะพอมีเจตนาชั่วร้ายอย่างเงี้นะทาท่าจะทำอย่างเงี้ยนะ ก็ระลึกลายชั่วกลัวบาปขึ้นมาอุ้ยไม่สมควรแก่เรานะว่าการมีเจตนาชั่วร้ายเป็นเหตุแห่งการหลอกลวงเขาเลี้ยงชีพเนี่ยไม่สมควรแก่เราเลยวันนั้นเด็กก็สามารถละได้ทันทีในขณะนั้นนะ่ะด้วยความละอายบาปเกรงกลัวบาปด้วยความศรัทธาในพระรัตนตรยัยนึกถึงพระธรรมคำสอนพระเจ้าหรือด้วยเจตนาที่ตั้งไว้มาก่อนก็แล้วแต่มากระตุน้นเตือนทําให้สัมมาอาชีว ะ, ะวิรติตัดรอนเวลาเจตนาอากุศลที่เป็นเหตุแห่งการจะเลี้ยงชีพผิดเนี่ย ขาดหรือหายลงไปได้ก็เลยไม่ทําอากับกิริยาอย่างนั้นทีนี้ถามต่อไปว่าอายอยู่่่แตวทที้ใช่ใช่ทีนี้ความสํารวมก็ยังอยู่นั่นแหละแต่ประเด็นคืออย่างนี้บางคนเนี่ยเขาหลับตานะีแต่เขาไม่ได้คิดเขาไม่ได้คิดที่จะได้อาหารไม่คิดที่จะเลี้ยงอาชีพผิดแต่เขาหลับตาเพื่อทําจิตให้เป็นสมาธิ เพการที่จกักหรือไปยืนคุณโยมยังไม่ได้มาใส่ตอนนั้นเดีย๋ยวโยมจะมาเนี่ยบอกให้นิมนเนี่ยกลับตาส้ำรวมจิตทําจิตแผ่เมตตาขอให้โยมจงเป็นผู้มีความสุขปราศจากความทุกข์ขอให้โยมเนี่ยอยได้มีเวรต่อใครๆเลยขอให้สัตว์ทั้งหลายจะได้มีเวรต่อใครๆเลยขออย่าได้มีจิตคิดพยาบาทอาฆาตปองร้ายเบียดเบียนซึ่งใครๆเลยขอให้โยมทั้งหลายจะได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย ขอยอมทั้งหลายจงเป็นผู้มีความสุขรักษาตัวในพ้นจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวงเถิดเนี่ยหลับตาแผ่เมตตาอย่างเนี้ยไม่เรียกว่าเลี้ยงชีพผิดหรอกเพราะเจตนาชั่วร้ายไม่ได้เกิด <c oughs> ต้องระวังเจตนาชั่วร้ายเคยเป็นไหมเคยไหมถ้าเดินอย่างนี้รู้สึกจะได้อาหารมากต้องเดินแบบนี้ไม่เคยเป็นนะ <c oughs> เคยงดหิวไหมเ <c oughs> วลายอมอาอาหารมาใสา่แล้วอาหารนั้นมันไม่ถูกใจเนะี่ย ลำคาญเลยเคยเป็นไหมอย่างนี้เขาเรียกอะไรเขาเรียกว่าไม่เคารพในอาหารและบิณฑบาตไม่เคารพถามว่าคนที่เขาที่จะใส่บาตรเขามีศรัทธาไหมมีหรือไม่มีเกามีศรัทธาในพระพุทธเจ้าศรัทธาในพระธรรมศรัทธาในพระสงฆ์ใช่ไหมเขาต้องใช้ความเพียร เขาต้องมีสติต้องมีสมาธิปัญญาเป็นต้นเราไม่เคารพกุศลแธรรมในใจของญาติโยมชื่อว่าไม่เคารพอาหารและบิณตาบาดการไม่เคารพอาหารและบินตบาตเนี่ยเป็นการดูหมิ่นพระธรรมในใจของโยมด้วยการดูหมิ่นธรรมะในใจของโยมชื่อว่าดูหมิ่นพระพุทธเจ้าได้ไหมโอ้ยทำไมใจเราหยาบขนาดนั้นเนี่ยไม่เคารพในอาหารบินตบาตเนี่ยเออเป็นเหตุเป็นปัจจัยในการบรรลุธรรมยากนะพวกนี้ต้องระวังใจกระด้างกระเดืองด้วย อย่าทำอย่าทำนะครอา่าวเดี๋ยวเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังไหมเคยเล่าบ่อยครั้งนะเรื่องการกระลบหา อ, อ, อย่าเพิง่งตอนนี้ยังไม่ถึงอาชีวประดิษธ์ที่ศีลยวไปเล่าอีกเรื่องมันพอยวไปเล่าเรื่องนี้ก็จะเชื่อมโยงไปอีกเรื่องหนึ่งไปยาวใหญ่เลยทีนี้ไม่ก็อยากให้เลยประเด็นเดี๋ยวจะได้ไม่เลยประเด็นนี่เข้าใจนะววรติศีลเนี่ย ส่วนอวิรติศีลเนี่ยศีลที่ไม่ใช่การงดเว้นอันนี้เป็นศีลที่เหลือมีเจตนาศีลเจตนาศีลเจตสิกศีลมีหลายตัวนะเจตนาเจตสิกก็เป็นศีลความจงใจตั้งใจในการที่จะทํากายกรรมวิจีกรรมเนี่ยให้เรียบร้อยดีงามทําอาชีพให้สะอาดบริสุทธิ์ในความตั้งใจอย่างนี้เขาเรียกเจตนาศีลถ้าเจตสิกศีลตัวอื่นความไม่โลภก็เป็นศีลได้อโลพา ความไม่โลภก็เป็นปัจจัยแก่การทํากายกรรมวัญญกรรมอาชีพให้บริสุทธิ์ได้ความไม่โกรธก็สามารถเป็นปัจจัยแก่กายกรรมวัญญกรรมและอาชีพให้บริสุทธิ์ได้ปัญญาคือความฉลาดในเรื่องเหตุเรื่องผลเรื่องกรรมและผลของกรรมเนี่ย<ม>ก็เป็นปัจจัยให้กายกรรมวัญญกรรมและอาชีพให้บริสุทธิ์ผุดผ่องเป็นต้นได้แต่ไม่ใช่มีแค่ตัวเดียวนะมีสภาวธรรมอื่ น, นๆเกิดร่วมด้วยสะดวกก็คือทั้งกุศลธรรมทั้งหมดนั่นแหละที่มี บางครั้งความไม่โลภก็เด่นบางครั้งความไม่โกรธก็เด่นบางครั้งปัญญาก็เด่นแล้วแต่เนี่ยลักษณะอย่างเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นอวิรติศีลศีลที่ไม่ได้เกี่ยวกับการงดเว้นมีเจตนาเป็นต้นไม่ใช่เป็นสภาพทิ้งดเว้นเพราะไอ้สภาพทิ้งดเว้นได้จริงๆในขณะนั้นคือตัวเวรตีเท่านั้นเวรตีเนี่ยจะว่าโดยโดยแท้ๆของเขาเป็นตัวศีลโดยตรงในองค์มรรคเลยนะ สัมมาวาจาสัมมากรรมตาสัมมาอาชีวะ เ, เดี๋ยวต้องมีอธิบายกันอีกทีในองค์มรรคเนี่ยนะแต่ในทีนี้อธิบายแบบย่นย่ อ, ยอเอาไว้นี่รายละเอียดมันยากตรงนี้แหละอ่าประการต่อมาขึ้นหมวดที่สองเออเขาไปศีล ส, สองหมวดที่4คําว่านิสเโยที่อาศัยมี2 อ, อย่างก็คือตัณหานิสิตาศีล คือศีลมีสองอย่างนะศีลที่อาศัยตัณหากับทิฏฐีนิสิตาศีลศีลที่อาศัยทิฏฐิการรักษาศีลเนี่ยนะอาศัยตัณหาคือว่าศีลที่บุคคลประพฤติโดยปรบับปรารถนาพบสมบัติว่าเราจากเป็นเทวดาหรือเป็นเทวดาตนใดตนหนึ่งก็ด้วยศีล น, นี้แหละ oh. อยากได้เป็นเทวดาอยากได้สมบัติทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นเนาะก็เลยรักษาศีล การรักษาศีลเนี่ยเขาเรียกมีอะไรนี่อาศัยมีตัณหามีความทยานอยากเนเป็นตัวอาศัยอยู่โดยส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างเงี้ยเป็นไม่เป็นบางคนก็ปรารถนาอยากเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยแต่มีตัณหานี่แหละเป็นตัวหล่อเลี้ยงรักษาศีลักษณะนี้เป็นศีลไม่บริสุทธิ์นะ เป็นศีลที่ถูกตัณหารูปคำอยู่ด้วยเป็นตัณหานิตาศีลอีกตัวหนึ่งก็คือทิฏฐินิตาศีลก็คือศีลที่อาศัยทิฏฐิประพฤติปฏิบัติด้วยทิฏฐิล้วนๆเราจะเป็นผู้บริสุทธิ์ได้ก็ได้ศีล น, นี่แหละ <c oughs> ลักษณะอย่างเงี้ยคาว่าเทวดาคือเทพผู้ปรากฏเป็นจอมเทพในสวรรค์ชั้นนั้นๆเท้าจ่าตุมหาราชะกาเท้าสากาเท้าสุยามะเป็นต้นเหล่านี้ เนี่ยไปปรารถนาอยากจะเป็นสหายของหรืออยากจะไปเกิดในชั้นจ่าตมหาราชิกาตาวติงสายามาดุสิตานิมมาน德ดีปรณิมิสวสวัสดิ์สวัสดีเนี่ยเป็นตถาลหรือมีความเห็นบอกว่าศีลที่บุคคลประพฤติด้วยทิฐิ ล, ล้วนๆบอกเล่าจะเป็นผู้บริสุทธิ์ด้วยศีล น, นี่มีคําว่าอัตตาตัวตนเป็นผู้รักษามีตนเป็นผู้รักษาจริงๆเนี่ยตนมันมีจริงไหม มันไม่มีหรอกอัตรามีที่ไหนแล้วก็มีขันห้าในแหลรเป็นผู้รักษาศีลแต่ความเข้าใจผิดของกลุ่มบุคคลที่ไม่ฉลาดในพระธรรมคําสอนไม่ชําระปัญญาให้บริสุทธิ์ก็เลยไปเข้าใจว่าชั้นนี่แหละรักษาศีลไปเข้าใจว่าสมมาเนนบอมนี่แหละรักษาศีลไงเนี่ยมันมีที่ไหนสัมมาเนนบอมก็คือขันห้าที่สมมุตินี่แหละเป็นผู้รักษาเป็นผู้ทําศีลให้เกิดขึ้นแต่ทิฏฐิไปยึดถือว่าชั้นรักษาศีลชั้นเป็นผู้มีศีล แล้วก็เลยแบ่งแยกคนนั้นมีศีลคนนี้ไม่มีศีลเนี่ย น, นะทิฏฐิก็เลยไปอิงอาศัยแบบนี้แหละประการต่อมาคืออนสิสิตาศีลศีลที่ไม่อาศัยตัณหาและทิฏฐิอันนี้คือโลกุตตาศีลโลกยะศีลที่เป็นเหตุเกิดของโลกุตตาศีลด้วยเนาะนี่จําแนกเป็น2 อ, อย่างอย่างนี้แหละศีลของผู้ประกอบด้วยตัณหาที่เพิดเพือดในพพต้องการจะไปเกิดเป็นเทวดา อันนั้นเป็นตัณหานิสิตาศีนศีนอาศัยตัณหาศีนของบุคคลที่ยึดมั่นว่าเขาสมามาสามารถพ้นไปจากสังสารวัฏบรรลุนิพพานด้วยศีนเท่านั้นอันนี้เข้าใจผิดเลยไปเข้าใจว่าศีลเท่านั้นจะไปนิพพานได้ไม่ต้องอาศัยสมาธิและปัญญาเข้าใจงี้ผิดหรือถูกนี่กัทิฏฐิก็ผิดยึดมัน่นโดยไม่ต้องเจริญสมาธิไม่ต้องเจริญปัญญาก็เป็นทิฏฐินิสิตศีนศีนอาศัยทิฏฐิ ศีลของผู้รักษาโลกิยะศีลแล้วเจริญสมาธิและปัญญาจนกระทั่งบรรลุมรรคผลที่เป็นโล ก, กุตราศีนนั้นก็เป็นอา น, น, สนิสิตาศีลศีลที่ไม่ต้องอาศัยตัณหามานาและทิฐิเนี่ยนะศีลเหล่านี้เป็นศีลที่ควรเจริญควรทําให้มีให้เกิดขึ้นอันนี้ก็อธิบายแบบย่อยๆประการต่อมาก็คือศีลหมวด2นี่แหละศีล2 อ, อย่างหมวดที่5การะปริ ยันตักศีลศีลที่มีการเป็นขอบเขตคือศีลที่บุคคลสมาทานด้วยการกําหนดเวลาเช่นตลอดวันหนึ่งตลอดคืนหนึ่งพวกอุบโบสถศีลที่เขาสมาทานส่วนอาปาณะโกติกศีลศีลที่บุคคลสมาทานตลอดชีวิตแล้วก็ประพฤติได้เหมือนอย่างนั้นแหละลักษณะอย่างนี้ก็เป็นอาปาณะโกติกศีลไปการะปริยนัน ตัดศคืออะไรอุบาสกบาสิการให้ทานอยู่ย่อมสมาทานศีลที่มีการเลี้ยงอาหารเป็นขอบเขตเนี่ยนะเมื่ออยู่ในวัดย่อมสมาทานศีลที่มีวัดเป็นขอบเขตเมื่อสมาทานศีลกำหนดขอบเขตวันหนึ่งคืนหนึ่งว่าง2วันบ้าง3าวันอันนี้ก็เป็นกาละปริยันตัดศีลไปส่วนนอกนั้นไม่ได้กําหนดขอบเขตสมาทานตลอดชีวิตไปเลยศีลแบบไหนที่ควรจะดีกว่ากัน เออสมาทานเลยนะงั้นก็เดินตลอดชีวิตไปเลยนะอาศีนหมวดศีลสองอย่างหมวดที่6สัพปริยันต์ตัดศีลศีลมีที่สุดกับอปริยันตัดศีลศีลที่ไม่มีที่สุดศีลที่ประกฏมีที่สุดอะไรศีลที่มีลาบเป็นที่สุด ศีลที่มียศเป็นที่สุดศีลที่มีญาติเป็นที่สุดศีลที่มีอวัยวะเป็นที่สุดศีลที่มีชีวิตเป็นที่สุดการก่อให้เกิดลาบยศดังที่ไม่เกิดขึ้นการรักษาทําให้ลาบยศที่เกิดขึ้นแล้วเพิ่มพูนขึ้นและการคุ้มครองญาตอวัยวะและชีวิตของตนเนี่ยลักษณะการรักษาศีลที่มีที่สุดไม่ไม่ไม่ประเสริฐสูงสุดบงคลก็สามารถเสียศีลได้ถ้าวะาถ้าได้ราบสการะได้ยศได้ญาติได้อวัยวะได้ชีวิตเนี่ย ส่วนอภรยันติกอภริยันต์ศีนก็คือศีนไม่มีที่สุดไม่มีไม่มีญาติเป็นต้นศีลที่มีที่สุดเป็นอย่างไรศีลมีลาบเป็นที่สุดมีอยู่ศีลมียศเป็นที่สุดก็มีอยู่ศีนมีญาติเป็นที่สุดก็มีอยู่ศีลที่มีอวัยวะเป็นที่สุดก็มีอยู่ศีลที่มีชีวิตเป็นที่สุดก็มีอยู่เนาะศีลที่มีลาบเป็นที่สุดก็คือบุคคลบางคนในโลกเนี่ยร่วงละเมิดศีขาบทตามที่ตนสมาทานเพราะลาบเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นตัวการเนี่ย อันนี้มีราบเป็นที่สุดก็ไล่ไปตามลำดับนะแล้วแต่ใครบางคนจะมีที่สุดหรือไม่มีที่สุดส่วนศีลที่ไม่ใช่มีราบเป็นที่สุดก็คือบุคคลบางคนเนี่ยนี้ไม่ก่อให้เกิดจิตคิดล่วงละเมิดตามตามที่ตนเองสมาทานไว้แล้วเนี่ยไม่มีราบเป็นปัจจัยไม่มียอดไม่มีอวัยวะแม้ชีวิตนะไม่มีที่สุด ถ้ารักษาศีลอย่างนี้โอ้โหสุดยอดเลยเนี้ยนะถ้าสามารถทำได้รักษาได้ก็เป็นเรื่องที่ดีมากๆประการต่อมาก็พูดถึงในเรื่องของโลกีะศีนแล้วก็โลกุตลาศีนโลกีะศีลศีนที่เป็นอารมณ์ของอาสวะนำาพ พ, พิเศษมาให้เป็นเหตุของการออกจากพบวินัยเพื่อประโยชน์แก่การสังวรสังวรกายวาจานะการสังวรเพื่อประโยชน์แก่การไม่เดือดร้อนใจ การไม่เดือดร้อนใจก็เพื่อประโยชน์แก่ปราโมดคือปีติอย่างอ่อนปราโมดคือปีติอย่างอ่อนเป็นเพื่อประโยชน์แก่ปิติก็คือปิติอย่างแรงกล้าปิติอย่างแรงกล้าเพื่อประโยชน์แก่ปัจสถธิความสงบกายและใจปัจสถานความสงบกายและใจก็เพื่อประโยชน์แก่ความสุขสมนัติสุขสมนัตก็เพื่อประโยชน์แก่สมาธิสมาธิก็เพื่อประโยชน์แก่ยะถาภูตายานทัศนการรู้เห็นรูปนามตามเหตุปัจจัยตามความเป็นจริง ยถาภูริยานททัศนะก็เพื่อประโยชน์แก่นิพนิธาคือความเบื่อนหน่ายนิพิทายานนั่นแหละนิพิทายานก็เพื่อประโยชน์แก่วิราคะคืออริยมรรคที่ปราศจากกิเลสอริยรมรรคก็เพื่อประโยชน์แก่วิมุติคืออรารถผลคือการหลุดพ้นจากกิเลสวิมุติก็เพื่อประโยชน์แก่วิมุตติยานททัศนะปัญญาที่รู้เห็นวิมุติคือปัจเวคขณะยานวิมุตติยานททัศนะเพื่อประโยชน์แก่อนุ ป, ปาทานปรินิพานคือการดับกิเลสการไม่ยึดมั่นหมายถึงการปรินิพานนั่นเอง ความหลุดพ้นแห่งจิตที่ได้วิโมกเพราะไม่ยึดมั่นมีอยู่การพูดการปรึกษาเห ต, ต, ตุต่อมามีการรักษาวินัยเป็นต้นการเงี่ยโสดลงสดับฟังวินัยเป็นประโยชน์เพื่อความหลุดพ้นนั้นเป็นต้นอันนั้นก็คือโลกยศินนี่แหละเป็นปจัจจัยแห่ความหลุดพ้นไปส่วนโลกุตระสินสีลที่ไม่เป็นอารมณ์อาสวะนําออกจากภพโดยส่วนเดียวเป็นอารมณ์ของปัจเวกขาาัญาณดังนี้เป็นต้นอต่อไปเป็นการอธิบายศีลสาอย่างในหมวดที่1และ หินาศีนศีลขั้นต่ําศีลที่บุคคลประพฤติด้วยฉันทาวิริยะจิตตะและปัญญาอย่างชั้นต่ำธรรมชิมศีลก็ศีลที่ประพฤติด้วยฉันทาวิริยะจิตตะปัญญาแบบกลางๆนืปณีตศีลศีลที่ประพฤติด้วยฉันทาวิริยะจิตตะปัญญาอย่างประนีตหรือถ้ามองอย่างหนึ่งหีนาศีนก็ศีลที่สมาทานในหวังชื่อเสียงธรรมชิมาศีลก็ศีลที่สมาทานต้องการบุญต้องการกุศล ปณีตศีลศีลที่สมาทานโดยอาศัยความหมดจดเป็นไปเพื่อความหลุดพ้นอย่างนี้เป็นต้นมีหลายอย่างนะบางอย่างก็บอกหีนศีลก็คือศีลที่หม่นหมองด้วยการยกตนของผู้อื่นอย่างนี้ฮมัชชิมศีลศีลที่ในชั้นโลกียะที่ไม่มีความหม่นหมองจนปณีตัดศีลก็ชั้นโลกุตระไปเลยหรือบางแห่งก็บอกว่าหีนศีลเนี่ยศีลที่บุคคลประพฤติเพื่อต้องการพบสมบัติ ในพบพรมต่างๆเป็นมนุษย์เทวดาหรือเป็นพรหมเงี้ยนะมัชฌิมศีนก็คือต้องการที่จะประพฤติปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นของตนศีลของสาวกหรือพับปเจกัพระโพธิสัตว์ทั้งหลายเนี่ยปณีแต่ศีนกับศีลของพระโพธิสัตว์ที่ประพฤติหลุดพ้นและต้องการขนสรพสัตว์ออกจากสังสารวัฏเป็นต้นด้วยนี่พอมองนี่ได้กว้างขึ้นนะการรักษาศีลก็มีจุดหมายอะไรต่างๆแตกต่างกันส่วนศีลสามอย่างในหมวดที่2ก็มี อัตตาที่ปไตยศีนศีลที่มีตนเป็นใหญ่ศีลที่บุคคลประพฤติโดยการเคารพนับถือตนต้องการสละความชั่วที่ไม่เหมาะแก่ตนออกไปมีหิริอัตปาละอายบาปเป็นหลักพิจารณาถึงตนเองแล้วต้องชำระตนเองให้สะอาดให้บริสุทธิ์นี่ปลารบตนล้วนๆเป็นไหมศีนประเภทนี้มีไม่มีแล้วต้องการชำระตนให้บริสุทธิ์ไหมต้องการตนเองออกจากราคะโทวสาโมหะไหม่ที่รักษาศีลเนี่ยปารบตนไหมถ้าปารบตนใน อ, อย่างนี้มีหิริ มีความละอายต่อบาปอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็เรียกว่าอัตราที่ปไตยศีลศีลที่ปารบตนเป็นใหญ่เป็นไหมเราเป็นแบบนี้ไหมข้อนี้เป็นนึกไหมเป็นไหมเป็นฮะเวลารักษาศีลปลารบใครปารบตนเองหรือผู้อื่นเอออย่างยากก็เป็นอัตราที่ปไตยศีลไง ส่วนโลกาที่ปตายาศีนศีนปลารบโลกเป็นใหญ่ก็คือศีลที่บุคคลประพฤติปฏิบัติเคารพปารบก็คือบุคคลศีลที่บุคคลประพฤติโดยความเคารพนับถือชาวโลกต้องการจะหลีกเลี่ยงการตําหนิของชาวโลกอตะปะเกรงกลัวเดี๋ยวเขาจะตำหนิเอาเขาจะว่าเอาเนี่ยปารบโลกปารบคนเป็นใหญ่เข้าใจยังนนี้โอตะปะเกรงกลัวบาปนี่แหละอ่ะคนแบบนี้มีไหม ที่เรารักษาศีลเนี่ยเพราะกลัวคนอื่นตําหนิกลัวคนอื่นว่ามีบ้างไหมแบบเนี้ยทําไมเราไม่ไปทําผิดศีลเนี่ยเพราะกลัวชาวบ้านเขาด่าเขาว่าเอาเคยคิดแบบนี้ไหมเคยไม่เคยนะอย่างบางคนเขากระบาลโลกแบบนี้ปราลบคนอื่นปราลบโลกปราลบกลัวว่าจะต้องไปตกอบายทุกขติวิริวาสในโลกเนี่ย ใช่ไหมเราก็เป็นปลาปาล็อบล็กเหมือนกันเนี่ยเกรงกลัวผลบาปเช่นผลบาปสมมติถ้าทำผิดศีลนี่ไปฆ่าคนเนี่ยต้องการเดี๋ยวถูกจับไปติดคุกเนี่ยไม่กลัวหรืออย่างเงี้ยปลาลบแบบนี้มีไหมไปลักซรัพก็ถูกจับไปติดคุกอย่างเงี้ยมีบ้างไหมคนที่รักษาศีลว่าปลาลบแบบนี้มีหรือไม่มีเออเงี้ยมีเราก็มีบางเทีไม่ใช่ไม่มีส่วนทำมาที่ไตายาศีลศีลที่ปาลาร็อบทำเป็นใหญ่ก็คือศีลที่บุคคลประพฤติปฏิบัติเนี่ย โดยการเคารพธรรมะต้องการบูชาความยิ่งใหญ่ของธรรมะนี่แหละคำนึงถึงความถูกต้องดีงามไม่คำนึงถึงอื่นปารภต้องการอยากเข้าถึงธรรมะโดยตรงเลยเอาธรรมะเป็นหลักการเลยเอาศีลสามอย่างในหมวดสาปรามัตถศีลศีลที่ถูกตั้หาและทิฏฐิครอบงำก็ที่เรียกอธิบายมานิสิตศีลนี่แหละถูกตั้หาและทิฏฐิครอบงำวงการ รักษาศีลเนี่ยพรมีตัณหาครอบงามีทิฏฐิครอบงามอยู่ก็เลยรักษาศีลถูกตัณหาและทิฏฐิครอบงำอป a r มัตถ์ศีลศีลที่ไม่ถูกตัณหาและทิฏฐิครอบงมศีลที่มีเป็นศีลที่อุเบกขมักของกัลยาณพุรุชนะประกอบด้วยมักของพระเศขาเป็นต้นหรือประกอบด้วยมักของเศคารอันนี้เป็นศีลที่ไม่มีตัณหาไม่มีทิฏฐินี or, จับฉวยเป็นศีลที่รักษาตรงความหมายของศีลได้อย่างแท้จริง เป็นไปเพื่อมัชฌิมาปฏิปทาเลยดำเนินไปถูกตามทางสายกลางถูกต้องเนี <evaluate> เป็นสมาวาราสมากรรมตาสมาชีวะเป็นมัชฌิมาปฏิปทาดําเนินไปสู่สมาธิดําเนินไปสู่ปัญญาดําเนินไปสู่ความหลุดพ้นตั้งหลักการที่ถูกต้องเลยเนี่ยนะส่วนปฏิปัสสติศีลศีลที่ระงับกิเลสศีลที่ประกอบด้วยผลนะของพระเศขะและอาเศขะอย่างนี้หมายความว่าพระเศขาบุคคลที่เข้าพระสมมาบัตรก็ดี ได้ผลสมาได้ผลและจิตก็ดีเนี่ยได้ผลที่เกิดขึ้นจากการประหารกิเลสก็ดีหรือพระอรหันต์ที่ได้รับอรหัตผลก็ดีเนี่ยศีลของท่านก็เกิดขึ้นอันนี้เรียกปฏิปสัสษ์ที่ศีลศีลที่บริสุทธิ์จริงๆเลยนี่เป็นงี้นั้นกาลยานะุปุธชนเนี่ยนะคนดีบุคคลที่อบรมศีลอบรมสมาธิอบรมปัญญาเพื่อมุ่งบรรลุมรรคผลนิพพานอะไรเนี้ย บุคคลเหล่านี้ก็เป็นศีลที่ไ ม, ม, ม่มีตัณหามาณที่ถีเข้าครอบงำํำไม่ยึดผิดไม่ยึดถือไม่อภิการต่อมาก็เป็นศีลสามอย่างในหมวดที่4วิสุธทธิศีลเอาวิสุธทธิศีลเวรมติกศีลวิสุธทธิศีลศีลที่หมดจดก็คือศีลที่พิสูุบําเพ็ญด้วยความไม่ต้องอบัติหรือศีลที่ต้องอบัติแล้วก็ทําการรักษาได้ด้วยการแสดงอบัติเป็นต้นเหล่านี้ อวิสุทธิ์ศีลศีลที่ไม่หมดจดศีลที่ภิกษุ ต, ต้องอบบัตแล้วก็ไม่ทําการรักษาอันนั้นก็ไม่ดีศีลไม่ดีศีลไม่หมดจดไม่บริสุทธิ์เวมติกาศีลศีลที่มีความสงสัยศีลของบุคคลที่สงสัยในวัตถุที่ล่วงอําละเมิดอบัตหรือล่วงละเมิดคือการล่วงละเมิดเนี่ยฉะนั้นตรงนี้ก็ผู้เพียรปฏิบัติชาําระศีลที่ยังไม่หมดจดให้หมดจดก็ควรกําจัดความสงสัย โดยการไม่ก้าวล่วงละเมิดวัตถุในขณะที่ยังสงสัยอยู่เมื่อเป็นเช่นนั้นข้อปฏิบัติอันสะดวกเพื่อบรรลุฌานมรรคผลจากมีแก่พิกษสูนนั้นได้ถ้ากําจัดความลังเลสงสัยเสียได้นะสงสัยก็ควรกําจัดความสงสัยด้วยการพิจารณาอย่างรอบคอบด้วยไต่ถามพระวินัยเสียพระวินัยทอนเนี่ยนะให้ละเอียดอ่อนจะได้ไม่เกิดความสงสัยอย่างนี้เป็นต้นเออในรายละเอียดยังเหลืออีกเยอะเนะี่ย เยเยะ่ะยังจะไม่เข้าไปตรงนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยตามไปทีหลังเพราะรายละเอีย ด, เ, ดยเจาะลึกๆไปก็ไม่ต้องอธิบายเยอะเลยแต่ว่าก็เป็นสิ่งที่ต้องศึกษาจะได้เรียนรู้ในคำวิุิธิมรรคเอัตอนนี้มาดูในสีลที่เป็นสัมมาวจาสัมมากัมมันตาสมาชิวะ อันนี้ก็เข้าไปสู่ในด้านของเจตสิกสีวิรติศีลดังที่ได้กล่าวนี่แหละอันนี้เป็นตัวสีลสภาวะธรรมองค์ธรรมแท้ๆนี่แหละสมมาวาจาเป็นไฉนปิสุนายาวาจายาเวรามณีเออขอไปมุสาวาทาเวรามณีเจตนาที่งดเว้นจากการพูดเทิด เอขับเน้นตัวเจตนาก่อนปิสุนาวาจายเวรมณีเจตนาที่งดเว้นจากการพูดส่อเสียดพุษายวาจายเวรมณีเจตนางดเว้นจากการพูดคำหยาบสัมภรปรปาปะเวรมณีก็เจตนางดเว้นจากการพูดเพ้อเจืออันนี้เป็นสัมมาวาจาวิรติสัมมาวาจาวิรตินี่ จริงๆดูเจตนาไอ้เวศีลเหล่านี้เกิดขึ้นโดยส่วนใหญ่ก็มีเจตนานั่นแหละเป็นประธานเป็นประธานหลักเป็นตัวกระตุนต้นเตือนแต่บางคราวก็อาจจะเกิดขึ้นด้วยกําลังของฮิริโอตปาเป็นต้นก็ได้แต่ยังไงเจตนาที่มีความจงใจตั้งใจนะจะมีกําลังค่อนข้างสําคัญเป็นตัวผลักดันทําให้สัมมาวาจาวเวทีนี้เกิดขึ้นแล้วก็พูดถึงเรื่องของสัมมากรรมตะ ปานาติปาตาเวรามณีก็คือเจตนางดเว้นจากการตัดรอนชีวิตอธินาทานาเวรามานีก็คือเจตนาที่งดเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่ไม่ได้ให้การเมสุมิจฉาจาราเวรามานีเจตนาที่งดเว้นจากการประพฤติผิดในกรรมทั้งหลายอันนี้เป็นสัมมากระมันตว์วรตีอันนี้เป็นเจตนาเป็นตัวกระตุ้นเตือนให้งดเว้นดังที่ได้กล่าวมาภิกษุ ทั้งหลายสมาชิวะเป็นชไหนนี่เรียกว่าสมาชีวะคืออริยาสาวกละมิชฉาชิวะเลี้ยงชีพด้วยสมาชิวะนี้เป็นต้นอันนี้เป็นไปในส่วนของโลกียะไปนะส่วนที่เป็นศีลที่เป็นโลกุตระก็สัมมาวาจาที่เป็นโลกุตระความงดความงดเว้นเว้นขาดเจตนางดเว้นจากวจีทุจริตต่างๆของผู้ ที่มีจิตเป็นอริยะมีจิตไร้อาสวะมีอริย chairs, มรรคเป็นสมังคีแล้วก็หมายความประชุมอริยมรรคได้เจริญอริยมรรคอยู่ Question. ส่วนสัมมากรรมตะที่เป็นโลกุตระกับความงดความงดเว้นความเว้นขาดเจตนางดเว้นอยากกายทุจริตสาของผู้มีจิตที่เป็นอริยะก็คือประชุมอริยมรรคได้แล้วสมาชีวะที่เป็นโลกุตระกับความงดความงดเว้นความเว้นขาดเจตนาของผู้ละมิชชาชีวะของท่านผู้มีจิตเป็นอริยะเข้าถึงโลกุตระเรียบร้อย โดยตรงนี้ก็ต้องทำความเข้าใจในเรื่องของศีลเหล่านี้ทีนี้ศีลในความหมายที่เป็นกลางๆเนาะตามพุทธพจน์อันนั้นแสดงประดุดแกนกลางของการฝึกอบรมขั้นศิลธรรมที่เรียกว่าที่ศีล ทีจะแยกออกไปเป็นข้อปฏิบัติในการประพฤติต่างๆในขณะที่จะเจริญศีลเนี่ยเพื่อจะให้ได้เข้าถึงรายละเอียดทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นเหล่านี้นะ เ, เริ่มแต่หลักความประพฤติที่ตรงกับในองค์มรรคซึ่งก็เรียกว่าเป็นกรรมบทหรือความประพฤติเป็นพื้นฐานที่เรียกว่าเบญจศีลเป็นต้นเหล่านี้นะฉะนั้นการรักษาศีลทั้งหลายเหล่านี้ก็เป็นเรื่องของความเข้าใจที่จะสามารถเจริญตัวกุศลศีลนี้ให้เกิดขึ้นได้จริงนเนี่ยนะ อย่างไรก็ตามในรูปของคำสอนเนี่ยถ้าเรามองอย่างละเอียดเนี่ยคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทงแสดงในเรื่องของการปฏิบัติโดยสรุปก็คือว่าผู้ที่จะฝึกพัฒนาในการที่จะทำศีลให้เกิดขึ้นก็จะต้องเข้าใจหลักการเข้าใจสาระสำคัญก็คือว่าวัตถุประสงค์ของศีลทั้งในส่วนของรายละเอียดที่ต่างกันและส่วนรวมสูงสุดที่เป็นหนึ่งเดียวกันน่ จะได้เข้าใจได้ถูกต้องไม่งมงายเป็นการปฏิบัติไม่ผิดพลาดแล้วก็เป็นการปฏิบัติที่ได้ผลจริงดงั้นถ้าแสดงตัวอย่างในความหมายขององค์มรรคในขั้นของศีลเนี่ยเป็นทางหรือเป็นข้อประพฤติปฏิบัติเนี่ยในชั้นของคําสอนมีอยู่ครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าเนี่ยประทับอยู่ที่เมืองปาวาป่ามม่ว ง, งของนายจุนทกกามลบุตร นายจุนท่ามาเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็สนทนาเรื่องโสเจยะกรรมคําว่าโสเจยะกรรมก็คือกรรมที่มีการชําระตนให้บริสุทธิ์ว่าจะทํำยังไงให้เข้าถึงความบริสุทธิ์หมดจดนายจุนท่าก็ทูลว่าเขาก่อนหน้านั้นนะนายจุนท่ายังไม่ได้นับถือพระพุทธเจ้าก่อนเขานับถือบัญญัติพิธีชําระตามแบบอย่างของพราหมณ์ชาวปัจฉาภูมิพวกพราหมณ์ก็มีการถือกันบอกว่า พูดถือถือน้ำเต้าสวมพวงมาลัยสาหลายบูชาไฟและปฏิบัติในการลงน้ําบัญญัติของพราหมณ์เขก็มีอยู่ว่าเช้าตู่เนี่ยทุกวันเมื่อลุกขึ้นจากที่นอนจะต้องเอามือรูปแผ่นดินเอามือไปรูปแผ่นดินถ้าไม่รูปแผ่นดินก็ต้องเอารูปเอามือไปรูปโคไมสดโคไมสดก็คือเอาไปรูปขี้วัวว่างั้นเถอะมูลมูลมูลโคไม มูลโคนั่นเองหรือไมอ่งั้นเอารูปเอามือไปรวบหญ้าเขียวหรือว่าบําเลอไฟอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยหรือไม่อย่างงั้นก็ยกมือไหว้พระอาทิตย์หรือมิฉะนั้นก็ต้องลงน้ําให้ครบทสาครั้งในตอนเย็นอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยลักษณะอย่างนี้เป็นการประพฤติแบบศีรพตาปรมาสะหรือศีรพตาปรมาสะอย่างเหนียวแน่นแพร่หลายในอินเดียแต่เวลาในก่อนครั้งพุทธกาลจนถึงปัจจุบันเนี้ย การประพฤติปฏิบัติอย่างนี้ก็ไม่เคยลดน้อยลงเลยนะการล้มล้างความเชื่อถือเหล่านี้เป็นจุดมุ่งหมายที่เด่นชัดที่สุดอย่างหนึ่งในการบําเพ็ญพุทธกิจของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าต้องการให้คนรักษาศีลที่เป็นสัมมาวาจาสัมมาสมาัสาสมมัตต์กามตาสัมมาชีวะนี่ที่เป็นไปที่เพื่อความบริสุทธิ์หมดจดจริงๆ <c oughs> เป็นการชําระบาปภายในชําระกายทุจริตวจิทุจริตใละอาชีพที่ผิดจริงๆ แต่คนในสมัยก่อนเนี่ยเขามีการประพฤติปฏิบัติศีลกันแบบผิดพลาดที่บอกตื่นเช้าขึ้นมาต้องเอามือรูปแผ่นดินบ้างหรือว่ามือไปลูปไอ้โคไม่สดหรือว่าขี้วัวเนี่ยหรือว่ารูปหญ้าเขียวหญ้าสดบ้างหรือไม่อย่างนั้นก็ไปไหว้ดวงอาทิตย์หรือไม่อย่างนั้นก็ลงน้ําให้ได้วลาสามรอบอย่างเงี้ยนะลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างเนี้ยถ้ามองอย่างนี้ก็จะเห็นว่าการที่ ถ้าสัมมาสัมพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นมาพระพุทธเจ้าก็พูดหรือสอนให้หักล้างวันณนะั้ทั้ง4วนนรรณักษัตร์พราหมณ์แพทย์สุจันทานทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นเหล่านี้และการดึงคนจากปัญหาทางอภิปัญญากลับมาหาปัญหาของชีวิตที่แท้จริงคนส่วนใหญ่เขาก็จะมัวเมากันอยู่เรื่องปัญหาอภิปัฏ ญ, ญาและการถือแบบศีลพระประาปรมาสเนี่ยกันรุนแรงยิ่งขึ้นฉะนั้นถ้าเรามองจากคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ย เราก็จะเห็นชัดว่าถ้าคนปฏิบัติศีลรักษาศีลหรือเจริญกุศลศีลอย่างงมงายอันนั้นบ่งบอกถึงความเสื่อมโซงมงมพุทธศาสนาด้วยถ้าคนไม่เข้าใจนะยังมีถือรัฐที่พิธีกรรมต่างๆเป็นการปฏิบัติบูชาต่างๆที่ผิดพลาดด้วยความหลงด้วยความงม ง, งายด้วยความไม่รู้ไม่เข้าใจอย่างท่องแท้อย่างชัดเจนเนีเ C, เ่ยมันก็เอียงก็หาศีลพระประภะประมาศมากขึ้นมากขึ้นเพราะเป็นการปฏิบัติด้วยความงมงายไม่รู้จุดหมายที่แท้จริง เวลาเราไปไหว้พระกันโดยมากก็ไปเขยา่าเสียมซีกันบ้างใช่ไหมไปร้องขอรอผลดลบรรดาลหวังว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจะมาช่วยดลบรรดาลตนเองให้พ้นจากโทษภัยทุกทั้งหลายที่ตนเองประสบและได้รับอย่างเนี้ยการอ้อนวอนการร้องขอการประพฤติปฏิบัติในลักษณะเนี้ยอันนี้เป็นปัญหาสังคมเป็นปัญหา บ่งบอกชัดว่าชาวพุทธเนี่ยเดินออกเดินผิดหลักของพระพุทธเจ้ามากขึ้นมากขึ้นอันนั้นบ่งบอกถึงความเสื่อมโทรมทางด้านปัญญาความหลงความโง่ความงมงายเข้ามาแทรกซึมในจิตใจของพุทธบริษัทมากขึ้นจากพุทธแท้ก็กลายเป็นพุทธเพี้ยนค่อยค่อยเพี้ยนไปเรืเ่อยเรืหลักการของพวกเราหรือพุทธบริษัทที่มาศึกษาคําสอนที่ถูกต้องแล้วเนี่ย แล้วจะแก้ไขจากพุทธเพี้ยนให้กลายเป็นพุทธแท้ยิ่งยากมากขึ้นใช่ไหมมันมีอุปกรณ์มันมีรูปแบบมันมีเรื่องราวต่างๆโดยเฉพาะตัวพระเองก็ไม่หนักแน่นในหลักการของคำสอนของพระเจ้าซะเองกลายเป็นผู้นาในทางผิดเพี้ยนซะเองอนนี้ เ, นเรื่องเป็นเรื่องใหญ่ เ, เขาทาการวิจัยกันออกมาว่าในกลุ่มชนที่ผิดหวังทั้งหลาย นะโดยส่วนใหญ่เนี่ยเข้ามาเป็นนักบวชพอมาเป็นนักบวชขึ้นมาด้วยการที่ตนเองผิดหวังในชีวิตทางโลกพอเข้ามาแล้วเนี่ยก็ต้องการประสบความสำเร็จในชีวิตทางธรรมฮะอยากได้รับการยอมรับนับถืออยากมีเกียรติยศชื่อเสียงก็เลยกล้าทำในสิ่งที่ไม่ที่ตรงกันข้ามกับคำสอนมีการอวดอ้างบ้าง อ้างคนวิเศษบ้างอะไรบ้างสารพัดทำสิ่งที่พระเจ้าไม่ทรงบอกไว้เป็นต้นเนี่ยโอ้ไปไปมาที่ทําทั้งหมดเพื่อลาบสการละเสียงสารเสลดเยินยอบ้างเพื่อได้รับการยอมรับนับถือเป็นต้นเหล่านี้มากขึ้นบรรดาคนที่เรียนเก่งเรียนดีทั้งหลายประสบความสําเร็จในชีวิตทั้งหลายก็าหันมาซบบุคคลที่ผิดหวังในชีวิตอย่างเนี้ยที่เข้ามาอยู่ในฐานะเป็นปนักวัวทั้งหลายเหล่านี้อันนี้เป็นเรื่องน่ากลัวเวลาก็ทําการวิจัยกันออกมาก็ฟังแล้วตกใจ อันนี้บวกเราก็ต้องศึกษากันให้ชัดใช่ไหมเนี่ยต้องระวังเนี่ยอย่างนี้เห็นได้ชัดเลยนะว่าบัญญัติของพราหมณ์เนี่ยที่จุนทกรรมระบุเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยสนทนาเรื่องความบริสุทธิ์แล้วก็บอกว่าบัญญัติของพราหมณ์ก็ถือการบริสุทธิ์เนี่ยภายนอกเช่นการอาบน้ําชําระบาปเช่นการไหวดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ซึ่งการประพฤติตามรูปแบบพิธีกรรมต่างๆ ก็ถือว่าทําอย่างนี้เป็นข่าวถึงความบริสุทธิ์แล้วก็จะเห็นลัทธิพิธีกรรมต่างๆเต็มไปหมดเนี่ยนะโดยไม่เข้าใจวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายที่แท้จริงทํากันอย่างตา ม, ตามๆกันมาทําแบบเลอะเลือนทําแบบไม่รู้เหตุและผลการทําในลักษณะนี้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่ากังวลซึ่งเราทั้งหลายก็จะเห็นอยู่แล้วก็เกี่ยวข้องกับชีวิตแล้วก็สภาพสังคมสิ่งแวดล้อมที่เราเห็นๆตามหูตามตากันอยู่นี่แหละคืออันนี้ก็เป็นปัญหาองสังคม พอมองเห็นไหมก็เห็นใช่ไมไอ้ตรงนี้ก็คือการถือแบบศีรัพัตปรลมาสเนี่ยจเจริญขึ้นเมื่อใดก็พึงเห็นว่าความเสื่อมตัวแท้ของพุทธศาสนาก็จะปรากฏขึ้นเมื่อนั้นในที่นั้นและน่าจะกล่าวได้ว่าการถือติดแน่นในรัติหรือในศีรัพัตปรลมาสเนี่ยเป็นสาเหตุสำคัญ ให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงกันอย่างรุนแรงที่เรียกกันว่าการปฏิวัติทางสังคมเลยจากนั้นถ้าหากว่าเกิดในสังคมใดมีการปฏิบัติกันแบบนี้อย่างเต็มรูปแบบเมื่อไหร่เนี่ยโอ้โหถ้าไม่ปฏิวัติสังคมยุ่งเลยในยุคปัชการที่หนึ่งมีการปฏิวัติสังคมนะมีการออกเป็นกฎในการให้มีการปฏิวัติสังคมในการถือกันอย่างโ ง, ง่งายเช่นมีการไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ให้ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยท่านก็ออกเป็นกฎเข้ามาประกาศเลยบอกห้ามเนีให้บรรดากษัตริย์ทั้งหลายหรือว่าใครทั้งหลายเหล่านี้ยที่จะสืบต่อต่ อ, ตอไปองี้เป็นต้นเนี่ยท่านกล่าวอย่างนั้นเลยเนะไปดูในรายละเอียดทีในจดหมายเหตุในอะไรเนี่ ย, นน ย, ย, ยท่านบอกว่าเออให้คำหนึงถึงเคารพ บ, บูชาพระราชนตรัยเป็นประการสําคัญ <c oughs> ให้เอาพระราชนตรัยขึ้นก่อน อย่างนี้เป็นตอนให้ศึกษาให้ต่องแท้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจในเรื่องนี้พระพุทธเจ้าก็ตรัสบอกว่าบัญญัติในการชําระตนเองให้สะอาดของพรามณ์นั้นของพรามณ์นี้เป็นอีกอย่างหนึ่งก็เป็นของพราม์ไปส่วนการชําระตนเองให้สะอาดในอริยวินัยในวินัยของอริยชนในวินัยของพระรยเจ้าแบบอย่างของพระพุทธเจ้านั้นก็เป็นอีกอย่างหนึ่งพระพุทธเจ้าบอกไม่เหมือนกันขาเหมือนกันไหม แล้วก็ตัสว่าคนที่ประกอบไปด้วยอกุศลกรรมบท10เช่นคนที่ฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดในการมคนที่พูดเท็จส่อเสียดคำหยาบเพือเจ้าคนที่โลภคนที่โกรธคนที่เห็นผิดคนที่ประกอบอกุศลกรรมบทที่ตรงกันข้ามกับอกุศลกรรมบทชื่อว่ามีความไม่สะอาดทั้งกายด้วยวาจาก็ไม่สะอาดด้วยและจิตใจก็ไม่สะอาดด้วย เอาคนที่กายก็สกรปรกวาจาก็สกรปรกใจก็สกรปรกด้วยบาปอาักขระกรรมอันชั่วร้ายต่อให้คนเช่นนี้ลุกขึ้นแต่เช้าเอามือรูปแผ่นดินหรือไม่ลูปจะรูปโคไมหรือไม่ลูปจะบูชาไฟหรือไม่บูชาจะไหว้พระอาทิตย์หรือไม่ไหว้พระอาทิตย์จะอาบน้ําหรือไม่อาบน้ําก็ชื่อว่าเป็นคนไม่สะอาดอยู่ดีเออยืนยันชัดไหมก็ชื่อว่าไม่สะอาดอยู่นั่นเองเพราะอากักขระกรรมบทเป็นสิ่งที่ไม่สะอาด ทั้งเป็นตัวการทําให้ไม่สะอาดด้วยกายธุจริตรวจีทุจริตมโนทุจริตมันจะสะอาดได้ยังไงข้าศึกทรัพประพฤติผิดในการมเนี่ยสะอาดหรือพูดเท็จส่อเสียดคําหยาเพื่อเจออือเงี้ยสะอาดหรือโลภเต็มกระแสความคิดมีความโกรธความเครียดมีความเห็นผิดไงอันนี้ชื่อว่าสะอาดหรือโสกปกเห็นไหมโสกปกลักษณะอย่างนี้เป็นต้นพระุทธเจ้าก็บอกว่าต่อให้ลุกขึ้นแต่เช้าเอามือลูบแผ่นดินหรือไม่ลูบ รูปยาสดหรือไม่รูปลูปโคมัยหรือไม่รูปไหวดวงอาทิตย์หรือไม่ไหว้อาบน้ําหรือไม่อาบก็เชื่อเป็นคนสกปรกอยู่ดีไปทําสิ่งเหล่านั้นจะไปสะอาดได้ยังไงเพราะความสกปรกเหล่านี้มันเป็นความสกปรกภายในกระแสชีวิตเป็นการฆ่าสัตว์รักษาพืชผิดในการเป็นต้นแล้วพุทธเจ้าก็ตรัสเรื่องกุศลกรรมบทที่เป็นโสเจยะคือความชําระตนให้สะอาด พระเจ้าว่าไงรู้ไหมบอกว่าละปันหนึ่งละปันาติบาตเว้นขาดจากการตัดตรอนชีวิตวางทันทะวางสัตรามีความละอายใจกรอบด้วยเมตตาใฝ่ใจช่วยเหลือเกื้อกูลแก่สัตว์ทั้งปวงนี่เป็นความสะอาดระดับหนึ่งละอาทินาทานเว้นขาดจากการถือเอาสิ่งของที่เขาไม่ได้ให้ไม่ยึดถือทรัพย์สินอุปกรณ์อย่างใดๆของผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นของที่มีอยู่ในบ้านในป่าซึ่งเขาไม่ได้ให้อย่างเป็นขโมย ละละกามเมศสมิทธิชัดจานเว้นขาจัดการประพฤติผิดในการมทั้งหลายไม่ล่วงละเมิดในสตรีเช่นอย่างผู้ที่มารดารักษาบิดารักษาพี่น้องรักษาผู้ที่พี่สาวน้องสาวรักษาเป็นต้นผู้ที่ญาติรักษาผู้ที่ธรรมะรักษาเช่นกฎหมายคุ้มครองหญิงมีสามีหญิงห่วงห้ามโดยที่สุดแม้หญิงที่มั่นแล้วเป็นต้นก็ไม่ไปล่วงละเมิดนี่ทางกายสะอาดแล้วทางวาจาที่โศเจยะทางวาจาสี่อย่าง การที่บุคคลบางคนละมุสาวาทเว้นขาดจากการพูดเท็จอยู ylon, ่ในสภาก็ดีอยู่ในที่ประชุมก็ดีอยู่ในท่ามกลางญาติก็ดีอยู่ท่ามกลางชุมชนก็ดีอยู่ท่ามกลางราชตะกูลก็ดีถูกเขาอ้างตัวซักถามเป็นพยานว่าเชิญเดิดท่านท่านรู้สิ่งใดจึงพูดสิ่งนั้นเมื่อไม่รู้เขาก็กล่าวว่าไม่รู้เมื่อไม่เห็นก็กล่าวว่าไม่เห็นเมื่อรู้ก็กล่าวว่ารู้เมื่อเห็นก็กล่าวว่าเห็นไม่เป็นผู้กล่าวเท็จทั้งที่รู้ไม่ว่าเหตุแห่งตนเองหรือเหตุแห่งคนอื่น หรือเพราะเหตุแห่งอามิตรใดๆก็ไม่กล่าวล่วงละเมิดไม่กล่าวเท็จ 2. ละปีสุนาวาจาเว้นขาจการกล่าวส่อเสียดไม่เป็นคนฟังที่ฟังความข้างนี้แล้วเอาไปบอกข้างโน้นเพื่อทำลายฝ่ายนี้หรือฟังความข้างโน้นแล้วเอามาบอกฝ่ายนี้เพื่อทำลายฝ่ายโน้นเป็นผู้สมานคนที่แตกร้าวกันส่งเสริมคนที่สมัครสมานกัน ชอบสามคัคคียินดีในสามคัคคีพอใจในความสามคัคคีชอบกล่าวถ้อยคําที่ทำให้คนสมัครสมานสามัคคีชัดเจนไหและพุทสวาจา ก, ก็คือเว้นขาดจากกวาจาหยาบกล่าวแต่ถ้อยคําชนิดที่ไม่มีโทษเรื่อนหูหน่ารักจับใจสุภาพเป็นที่พอใจของผหูชนคือชนเป็นอันมากเป็นที่ชื่นชมของผหูชนและสัมผัสพลาปะ เว้นขาดจากการพูดเพ้อเจ้อพูดถูกการพูดคําจริงพูดเป็นอัตตะเป็นธรรมะพูดเป็นวินัยตราว aja าเป็นหลักฐานมีที่อ้างอิงมีกําหนดขอบเขตกรอบด้วยประโยชน์ในการอันควรเป็นต้นนี่กายก็สะอาดวาจาก็สะอาดโสเจียรทางใจสาอย่างอนนาิชาไม่คิดจ้องเอาของคนอื่นอพยาบาทไม่คิดร้ายตั้งใจเมตตาปรารถนาให้ทุกคนอยู่ดีมีความสุขสัมมาทิฏฐิมีความเห็นถูกต้องตามครองธรรม โสเจยะทางใจข้อนี้เป็นความหมายที่ขยายออกมาจากองค์มรตสอข้อนั้นคือสมาทิฏฐิและสัมมาสังกปะในลำดับโลกิยะที่ได้พูดมาแล้วทีนี้ถ้าบุคคลประกอบไปด้วยกุศลกรรมโอสถสิ ป, ปการนี้ถึงตอนเช้าตู่ลุกขึ้นจากที่นอนจะมือลูบแผ่นดินก็เป็นผู้สะอาดอยู่เองถึงจะไม่ลูบแผ่นดินก็เป็นคนสะอาดอยู่เองใช่ไ จะรูปยาสดหรือไม่รูปยาสดเขาก็สะอาดจะรูปโคไม้ไม่รูปโคไม้จะไหวดวงอาทิตย์หรือไม่ไหวดวงอาทิตย์จะอาบน้ำหรือไม่อาบน้ำเขาก็เป็นคนสะอาดอยู่นั่นเองเพราะกุศลกรร ม, มบท1สเหล่านี้เป็นของสะอาดด้วยเป็นเครื่องทำให้สะอาดด้วยเนีย่ยถ้ามองถึงในลักษณะอย่างนี้ก็จะเห็นชัดในลักษณะของคาสอนของพระเจ้าที่พูดถึงในเรื่องของลักษณะความสะอาด เห็นไหซึ่งต่างจากอันนี้พูดหลักการในการที่จะฝึกผลพัฒนาตนเองเลยถ้าทำอย่างนี้จริงๆตนเองจะเป็นคนสะอาด จ, จริงๆไหมสะอาดชัดเจนเลยใช่ไหมอันนี้ก็เป็นข้อฝึกในการเป็นข้อปฏิบัติเนี่ยการขยายความในลักษณะอย่างนี้ออกไปก็จะทำให้เราเห็นหลักการในทางพุทธศาสนาที่ปรากฏชัดขึ้นอ่ะแต น, นี้มองในแง่ของลักษณะของศีล แล้วก็หลักความประพฤติปฏิบัติเบื้องต้นศีลแบบเทวานิยมกับศีลแบบสภาวานิยมนิมต่างกันออมีคนเขาบอกว่าในทางพุทธศาสนานะก็มีปาาด์ทางตะวันตกเขาบอกว่ามีคำสอนมุ่งแต่ในทางปฏิเสธคือสอนให้ละเว้นจากความชั่วอย่างนั้นอย่างนี้ฝ่ายเดียว ไม่ได้สอนย้าชักจูงให้พุทธบริษัทเนี่ยค้นขว้าในการทำความดีเนี่ยก็าการที่เขาสอนในลักษณะหรือเขาไปเข้าใจอย่างนี้เป็นการเข้าใจคําสอนของพระเจ้าผิดไม่ได้ถูกนะต้องทราบความหมายที่แท้จริงของคําสอนของพระพุทธเจ้าที่บอกว่านี่เขาวิจารณ์มาบอกว่าคําสอนให้ว่าเล่นความชั่วอย่างนั้นอย่างนี้ฝ่ายเดียวไม่ได้สอนให้ชักจูงให้ให้เร่งรัด พุทธศาสนิกชนที่ขนไถ่ทำความดีเนี่ยไม่ได้แนะนำว่าเมื่อเว้นความชัว่วนั้นๆัแล้วจะต้องทำความดีต่อไปอย่างไรเนี่ยเป็นคำสอนแบบสกาววิสัยว่างั้นเถิดเป็นได้เพียงจริยธรรมด้านความคิดเป็นคำสอนแบบถอนตัวและเฉยชาด้วยว่างั้นเฉยเฉยด้วยทำให้พุทธบริษัทเนี่ยชาวพุทธทั้งหลายพอใจแต่เพียงแค่งดเว้นทำชัว่วคอยระวังเพียงไม่ให้ตนเองเข้าไปเกี่ยวข้องผัวพันกับบาป ไม่เอาใจใส่คนขวาช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยการลงมือทําการปลดเปลื้องความทุกข์และก็ส่งเสริมประโยชน์สุขอย่างจริงจังนี่ก็วิจารณ์อย่างนี้นะวิจารณ์ลักษณะเนี้ยที่เขากล่าวในลักษณะอย่างเนี้ยคือสอนให้มีเมตตากรุณาก็เพียงด้วยความตั้งความหวังปรารถนาดีแผ่ไปในใจอย่างเดียวเขาคิดอย่างนั้นว่าพุทธริษัทนเนี่ยผู้นั้นเนะี่ ก็อ้างว่าได้บิฎกสนับสนุนด้วยในลักษณะบอกว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายสัมมารกรรมตะเป็นฉไหนาการเว้นปานาติบาศการเว้นอตินนาทานก า, นการเว้นกาเมสุมิชาจานี่แหละท่านผู้มีอายุทั้งหลายชื่ว่าสัมมารกรรมตะเนี่ยถ้าเรามองในลักษณะอย่างนี้เราก็จะเห็นได้ชัดว่าเนี่ยเป็นความเข้าใจในด้านของศีลในทางพุทธศาสนาค่อนข้างผิดถ้าถูกคื อ, อยังไงการรักษาศีลเนี่ยให้สังเกตดูว่าละปาณาติบาศ เว้นขาดจากปณฏิบัติแล้วเนี่ยก็ยังมีใจที่ประกอบด้วยกรุณาเพื่อเอ็นดูสัตว์ทั้งหลายเป็นต้นอยู่เห็นไหมที่ถูกต้องเป็นอย่างนั้นค้นขวายในการช่วยเหลือเขาด้วยให้สัตว์เหล่านั้นพ้นจากความทุกข์ด้วยไม่ได้สอนในลักษณะว่าโอ้ยรักษาแต่ตนเองไม่ใส่ใจคนอื่นในความไปเข้าใจในลักษณะอย่างนี้เนี่ยอันนี้นี่ต้องเข้าใจแล้วก็ชาวพุทธส่วนใหญ่ไม่เข้าใจอย่างนั้นไม่เข้าใจผิดนะหม นันศีลในทางพุทธศาสนากับศีลในเรื่องของแบบภายนอกพุทธศาสนาเนี่ยมันต่างกันอศีลที่เป็นพื้นฐานที่เป็นส่วนหนึ่งของคําสอนเนี่ยของพระเจ้าเนี่ยไม่ใช่เทวะองค์การหรือคําสั่งบังคับสําเร็จรูปที่เป็นกําหนดให้ศาสนิกประพฤติปฏิบัติอย่างนั้นอย่างนี้บ้างเนี่ยสุดแต่เทวะประสงค์ด้วยการอาศัยศรัทธา แบบพักดีซึ่งจำเป็นต้องทราบไม่ต้องไม่จเป็นต้องทราบเหตุผลถ้าเป็นศีลของแบบเทววงการจะเป็นไปลักษณะแบบนี้นะแต่เป็นของพุทธจะไม่เป็นอย่างนี้แต่ศีลเนนะี่ยเป็นข้อกำหนดที่จัดตั้งขึ้นตามเหตุผลของกฎธรรมชาติในทางพุทธศาสนาสอนอย่างนั้นรวมอยู่เป็นส่วนต้นในระบบการพัฒนาชีวิตโดยการเดินไปตามกุศลศีลเนยพัฒนาอย่างที่กล่าวมาเนี่ย กายสะอาดวาจาสะอาดและใจสะอาดทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นเหล่านี้ซึ่งผู้ปฏิบัติจะต้องมองเห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันเป็นระบบแม้จะยังไม่มีปัญญารู้แจ้งแจ่มชัดก็เพียงมีศรัทธานีก็ต้องเป็นกาวตีศรัทธาก็คือซึ่งมีพื้นความเข้าใจในเหตุผลเบื้องต้นพอเป็นฐานให้เกิดปัญญารู้ชัดต่อไปคือก็จะต้องมีความเชื่อมั่นในปัญญาตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มีความเชื่อมั่นแล้วก็ฟังแล้วก็ฝึกฝนพัฒนาพัฒนาตนพฤติกรรมให้เป็นศีลฝึกจิตให้เป็นสมาธิแล้วก็ทัศนคความเห็นเพื่อจะเข้าใจให้ชัดเข้าถึงปัญญาได้เป้าหมายก็เลยไปอยู่ตรงนี้เนะกดความจริงธรรมชาติตรงนี้ในกระบวนการในการปฏิบัติธรรมหรือการฝึกอบรมพัฒนาชีวิตนะั้นะนะมองในแง่ลำดับสิ่งที่จะต้องการทาให้ประณ n ขึ้นเป็นไปตามลาดับ ก็ต้องจัดเตรียมพื้นฐานให้ราพรื่นไม่งอนแง่นไม่ขาดตกบกพร่องเริ่มโดยการละเว้นหรือกำจัดความชั่วก่อนเช่นละปนานาติบาสนี่นะนี่กำจัดความชั่วออก่อนเมื่อละความชั่วแล้วละอธินาทานละกา ม, มสุมิชาจารย์พอละปานาติบาตปุ๊บเอา้าตอนนี้แหละนี่เป็นละชั่วแล้วอาจารย์ทำดี ก็ต้องมีใจใจที่ประกอบไปด้วยกรุณาเมตตาแกส่สัตสัพสัตทั้งหลายอันนี้คนะือในี้เนี่ยสภาพเห่งการที่ว่าละความชั่วออกก็น้อมจิตในการที่จะประพฤติธปฏิบัติในสิ่งที่ดีงามละอธินาทานก็น้อมจิตไปในการที่กิเลสละในให้เนี่ยแปงปันเป็นต้นเหล่านี้ยนี่เป็นไปลักษณะอย่างนี้จนถึงความบริสุทธิ์ุดพ้นในที่สุดเหมือนการจะปลูกพืชก็ต้องชําระพื้นแผ่นดินกําจัด สิ่งที่เป็นโทษก่อนแล้วก็หวานพืชแล้วก็บํารุงรักษาจนได้ผลดังที่ได้หมายฉะนั้นในระบบคําสอนสีนี่เป็นข้อปฏิบัติขั้นเริ่มแรกสุดมุ่งไปที่ความประพฤติขั้นพื้นฐานก็เน้นไปที่การละชั่วละความชั่วต่างๆอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นอย่าไม่เห็นสิ่งที่ต้องการกําจัดอย่างชัดเจนซะก่อนแล้วก็ขยายขอบเขตยกระดับความดีหรือความประพฤติให้สูงขึ้นเป็นไปตาม ด้านความดีด้วยการอาศัยปฏิบัติในขั้นของสมาธิในขั้นของปัญญาเข้ามาช่วยมากขึ้นเป็นไปตามลําดับสังเกตใช่ไหมพอละสิ่งที่ไม่ดีทางกายยกรรมประจีกรรมทางอาชีพแล้วแล้วก็สภาพจิตใจที่เป็นไปกับเมตตาอย่างไงกรุณ า, ายัางไรมุทิตายัางไงตลอดถึงวางใจถูกต้องอย่างไรเป็นต้นและภาคปฏิบัติการในการให้ที่เป็นหลักสังคหาวัตถุเนี่ยนะการให้การพูดจาการประพฤติประโยชน์ การวางตนที่เหมาะสมยังไงเป็นต้นอันนี้เป็นขั้นปฏิบัติการอันนั้นทั้งหมดเหล่านี้ก็คือฝึกเข้าสู่ถึงด้านจิตใจทางด้านปัญญายิ่งๆขึ้นไปเนี่ยฉะนั้นในด้านของระบบแห่งการพัฒนาไตรสิกขาเนี่ยศีลไม่ใช่ข้อปฏิบัติให้ถึงจุดหมายสูงสุดโดยตัวมันเองเนะแต่เป็นการเตรียมสภาพให้พร้อมให สภาพทั่วไปของชีวิตให้พร้อมสําหรับความเจริญงอกงามที่เป็นเนื้อหาสาระของชีวิตต่อไปก็คือการพัฒนาจิตใจเนี่ยถ้าพัฒนาจิตใจเรียกสันส้นว่าสมาธิซึ่งก็เข้ามาต่อทอดงานพัฒนาชีวิตสืบต่อจากศีลและก็ได้รับผลจากศีลท่านอรวงก็บอกว่าศีลเนี่ยเป็นเมื่อตั้งไว้ด้วยดีแล้วทํากายกรรมวิจิกรรมอาชีพให้ตั้งไว้ด้วยดีแล้วศีลก็เป็น ฐานรองรับกุศลธรรมเบื้องสูงเป็นฐานรองรับวิริยะสติและสมาธิอย่างเงี้ยนะวิริยะสติสมาธิก็เป็นฐานร อ, องรับหรือเป็นฐานปฏิบัติการของสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะคือชั้นปัญญาตอนอย่างนี้เป็นต้นในการปฏิบัติการก็เป็นไปลักษณะแบบนี้นั้นแต่มองอย่างนี้ก็จะเห็นว่าในด้านของการคุณค่าด้านจิตใจของ ของศีลเนี่ยจึงมีความสําคัญคุณค่าทางจิตใจในขั้นศีลก็คือเจตนาที่จะงดเว้นเนี่ยเห็นไหมศีลจึงอยู่ที่เจตนาเจตนาที่จะงดเว้นจากบาปอากุโสลกรรมอันชั่วลายทั้งหลายในเจตนาเหล่านี้เจตนาที่จะละงดเว้นจากความชั่วและในขณะเดียวกันสภาพความไม่โลภความไม่โกรธและสภาพของปัญญาก็มาถ้เป็นตัวศีลได้ด้วยในการที่มากํากับชําระพฤติกรรมไม่เรียบร้อยดีงามนี่ความรู้ความเข้าใจต้องตามมา และพอถึงความงดเว้นจริงๆเวตีทํำกิจเต็มที่เลยนะีงดเว้นจากกายทุจริตสมเวทีทุจริ 4, ตสงดเว้นจากอาชีพที่เป็นมิจฉาอาชีวะทั้งหลายเหล่านี้ก็ได้รับแรงขับเคลื่อนกระตุ้นเตือนจากเจตนาบ้างจากความไม่โลภ บ, บ้างความไม่โกรธบ้างจากปัญญาเป็นต้นบ้างเกิดพร้อมกันเนี่ยกลุ่มกุศลธรรมทั้งหลายที่มีความแข็งแรงมีความเข้าใจชัดเจนมีศรัทธามั่นคงอะไรโหเยอะแยะหมดเลยนะมีความละอายต่อบาปเกรงกลัวต่อบาป เป็นแรงหนุนแรงกระตุ้นหมดเลยตัวกุรศลศีลก็ผลักดันในการที่จะทําให้กระแสะชีวิตเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีงามสภาพจิตใจดีด้วยเลยในนี้นะและปัญญาความรู้ความเข้าใจก็ถูกชําระความเห็นชําระให้บริสุทธิ์หมดจดไปด้วยเป็นไปตามลําดับแล้วก็พัฒนากันเป็นขั้นตอนไปจากศีลหยาบเข้าสู่ศีลระดับกลางสมาธิหยาบหยาบเข้าสู่สมาธิระดับกลางปัญญาหยบาบหยาบก็ถึงปัญญาระดับกลาง จยากศีลสมาธิปัญญาระดับกลางก็พัฒนาสวดศีล ส, สมาธิปัญญาระดับละเอียดประณหนีดยิ่งๆขึ้นไปเนี่ยเป็นขั้นเป็นตอนในการฝึกฝนอบรมพัฒนาอย่างนี้เนี่ยหลักหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าจะเป็นไปในทํานองอย่างนี้เป็นต้นพอมองเลยเห็นนี่เออต่นี้ก็ <c oughs> อีกอย่างหนึ่งชีวิตที่ดีก็คือให้สังเกตตัวว่า เมื่อมีความเข้าใจเรื่องศีลดีแล้วนะสภาพจิตใจจะแข็งแรงเมื่อจากการที่มีปัญญามีความรู้มีความเข้าใจที่เป็นกลุ่มสัมมาทิฏฐิและจากการดำบุิรที่เตกถูกต้องมาเป็นตัวเกื้อกูลกันความเห็นที่ถูกต้องเห็นในเรื่องเหตุในเรื่องผลเรื่องกรรมละผลของกรรมชัดขึ้น ให้ความดำริก็ถูกต้องก็ดำริออกจากการดำริออกจากพยาบาทดำริออกจากการเบียดเบียนเข้าหาเมตตากรุณาและมุทิตาเข้าหาการวางใจเป็นนะไม่ติดสิ่งเสพอยู่ด้วยกระบวนการใงการศึกษาเรียนรู้พอกระบวนการของสภาพจิตใจเป็นไปในลักษณะอย่างนี้ก็จะเป็นปัจจัยเกื้อหนุนนะจากการที่จะทาให้กาลังของ เมื่อเนคขมมะมีกําลังมากขึ้นดําริออกจากกามเนี่ยนะอพยาปาทะสังกปะมีกําลังมากขึ้นเอาหิิงสาสังกปะมีกําลังมากขึ้นกามดําริความคิดในการไล้กามไล้พยาบาทหรือความคิดที่เป็นไปกับเมตตาความคิดในการการุณามากขึ้นก็จะมีกําลังของโยนิโสมนสัสการน่ะเห็นตามสภาวะคือสมาธิฏฐิเข้ามาเกิดร่วมกับสมาสังกปะ มีกำลังแกนกลางที่เป็นตัวโยนิโสมนัสสการตัวใส่ใจถูกใส่ใจได้ถูกต้องไอตัวกําลังของโยนิโสมนัสการก็จะเล้ากระตุ้นกุศลกระตุ้นความดีเกิดขึ้นในใจเกิดการเสียสละเกิดการเมตตาเกิดกรุณาเกิดขึ้นไอเสียสละนี่ก็คือกระตุ้นให้มีกลุ่มกุศลธรรมเนี่ยอยากเสียสละอยากจะให้อยากจะเสียสละทั้งกําลังกายกําลังใจทั้งหลายเนี่ยในการช่วยเหลือเกื้อกูลหรือในการประพฤติสิ่งที่ดีงาม มีความรักความปราถนาดีมีเมตตามีกรุณาในแผ่ใจในสัตว์ทั้งหลายเป็นต้นเหล่านี้พอมีสภาพของกุศลเกิดขึ้นในจิตใจอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยก็จะขับเคลื่อนผลักดันให้เกิดพฤติกรรมทางกายทางวาจาและอาชีพออกมาเลยเทางวาจาทั้งหลายเหล่านี้เพื่อถูกกระตุ้นเตือนกุศลกระตุ้นเตือนเหล่านี้มีเจตจำนงกระตุ้นเตือนอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยก็จะกระตุ้นเตือนให้สมมาวาจาเกิดขึ้นละมิช่าวาจา ละมุสาวาทก็จะพูดคําจริงเนี่ยแต่นี่นะละปีสุนาวาจาก็พูดคำที่สมักสมานสามัคคีพูดให้คนสมักสมาน ส, สามัคมคีกันละพุทธสวาจาก็พูดแต่วาจาอ่อนหวานที่เป็นไปกระเมตตาบ้างกรุณาเป็นต้นบ้างละสัมผัสภาลพาปะพูดสิ่งที่เป็นประโยชน์เป็นอัฏฐาเป็นธรรมะมีที่อ้างอิงฝ่ายสัมมากรรมตาก็ทํากิจละปฏิบาตนะก็มีใจกรุณาเอือ้อเอ็นดูแก่สัตว์ ละอทินนาทานมีจิตน้อมปราถนาให้สัตว์ทั้งหลายเป็นผู้มากหรืทรัพย์เป็นต้นคนก๋วชื่อเหลือรากาเมียสุวิชชาจาร์ในการปราถนาให้สัตว์ทั้งหลายเป็นผู้มีความสุขในครอบครัวเป็นต้นเหล่านี้ไม่ปราถนาให้ก็แปลกแยกกันต่อมาในการประกอบอาชีพดำเนินกระแสชีวิตไปดำเนินไปตามอาชีพก็เป็นความเพียรที่บริสุทธิ์ผุดผ่องเพราะสภาพของกุศลเกิดขึ้นอย่างแท้จริงจิตใจแข็งแรงไหม จิตใจก็มั่นคงสภาพปัญญาก็แข็งแรงและพฤติกรรมทางกายทางวาจาอาชีพก็เป็นไปเย้ยความสะอาดบริสุทธิ์หมดจดอย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมว่าจากที่ว่ามีเมตตากรุณามเมตตาและเวขาอยู่ในจิตใจแรงมากขึ้นขับเนตออกมาเป็นทานเป็นปิยวาจาเป็นอัธยจริยาเป็นสมานาตตารวมออกมาเป็นสัมมาวจาเป็นสัมมากัมมันตะโอ้โหเนี่ยนะเป็นการประพฤติอาชีพที่บริสุทธิ์ผ่องแผ้วลักษณะอย่างนี้ก็ออกมาเป็นศีลชัดเลยเนี่ย เนี่ยตรงนี้มันถูกขับมาจากข้างในมันออกมาจากความรู้มาจากความเข้าใจมันไม่ใช่ว่าแต่มันก็มีอีกระบบหนึ่งนะอีกระบบหนึ่งที่ว่าไม่ได้บอกเหตุผลกันหรอกเข้ามาถึงวัดก็ให้สมาทานกันเลยปนานาธิตัตย์ใช่ไหมไม่ได้บอกเหตุไม่ได้บอกผลไม่ได้เกิดด้วยศรัทธาเชื่อมั่นไม่ได้มีการกระตุ้นเตือนใดๆเกิดขึ้นเลยเคยเห็นแบบนี้ไหมนะอย่างเนี้ยก็ให้ทําเพื่อให้เกิดความเคยชินกันก่อน เนี่ยนะนี่ไปไปมามาก็เลยกลายเป็นติดรูปแบบพอติดรูปแบบขึ้นมาเอาและยิ่งไม่บอกเหตุไม่บอกผลไม่ชี้แน่เหตุผลขึ้นมาเอาตามมาเยอะเลยทียนี้อันนี้ก็เป็นปัญหาว่าจริงๆแล้วเนี่ยพุทธบริษัทเนี่ยต้องเรียนรู้ในการที่จะฝึกฝนพัฒนาตนเองจริงๆถ้าไม่เรียนรู้ไม่ฝึกฝนในการที่จะพัฒนากระแสชีวิตตนเองให้เข้าสู่ศีลสมาธิปัญญาให้ถูกต้องจริงๆแล้วมันก็จะไม่เป็นไปกับความประพฤติปฏิบัติเรียบร้อยดีงามใช่ไหม มันก็ไม่ออกมาจริงๆเลยทีเนี้ยนะครข้าก็อ้าวตามรูปแบบไปก็พูดไปทีนี้สภาพจิตใจมันก็ไม่ได้เจาะลึกในพระธรรมคำสอนให้เห็นอย่างท่องแท้ดีงามเนี่ยลักษณะอย่างนี้ก็คือว่าในลักษณะของการที่ปฏิบัติตามองมร์เนี่ยทุกข้อมันเดินอย่างนี้ในขั้นพื้นฐาน เห็น ไ, ไหมความเห็นที่ถูกต้องความดำดิ่งที่ถูกต้องเนี่ยมีความสําคัญมันเร้าที่จะทำให้โยนิโสมณิสิการเนี่ยเล้ากุศลธรรมเกิดขึ้นความคิดจะไร้การไร้พยาบาทไร้การเบียดเบียนเกิดขึ้นยังไงพอไร้การไร้พยาบาทไร้การเบียดเบียนเกิดขึ้นขึ้นมาแล้วตัวโยนิโสมณิสิการก็กระตุน้นเมตตากรุณามุทธิตาเวขาเกิดขึ้นไหมถ้ากระตุ้นเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยจนสภาพในพรหมวิหารธรรมตั้งมั่นในสภาพจิตใจได้ดีพอแล้วนี่เป็นด้านของจิตใจ ด้ของสมาธิแล้วขับเน้นออกมาแหะเป็นสังขารวัตถุเป็นทานเป็นปิยาวาจาเป็นอัฏฐจริยาเป็นสมานัตตาเนี่ยขับเน้นออกมาเป็นสมาวาจาเป็นสมารกรรมตตาจริงใหม่ไอ้ตรงนี้ก็เป็นเรื่องของการที่เราจะต้องทําความเข้าใจให้ชัดอีทีนี้ในแง่หนึ่งในด้านการระบบการพัฒนาชีวิตเนี่ยในบนในบนฐานของสภาวาธรรมในตามธรรมชาติเนี่ย มีการจัดกระบวนการของศีลจิตและปัญญาเนี่ยที่ทรมองกันแบบว่าศีลแบบสภาอนิยมกับศีลที่แบบเทวนิยมต่างกันนะศีลในพุทธศาสนากับศีล น, นอกพุทธศาสนายังมีความต่างกันอย่างนี้ในศีลตามหลักของ คำสอนของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าสภาวานิยมเนี่ยกับศีลที่เป็นหลักเทวนิยมเนี่ยต่างกันก็ตรงที่ว่าในแนวทางของสภาวานิยมหรือสภาวธรรมเนี่ยศีลเป็นหลักความประพฤติที่กําหนดขึ้นตามเหตุผลของกฎความจยิงธรรมชาติส่วนลทัทธิเทวนิยมเนี่ยเป็นศีลเป็นระบบเทวะองค์การที่กําหนดขึ้นโดยเทวประสงค์โดยเทพเจ้าเป็นผู้บงการเป็นผู้กําหนดเป็นผู้บัญญัติออกมา ศีลตามแบบสภาวะนิยมเนี่ยเป็นหลักการฝึกอบรมตนในการงดเว้นจากความชั่วจึงเรียกว่าศีลที่เป็นกําหนดเป็นข้อข้อข้อข้อเป็นเรียกว่าศิกขาบทก็แปลว่าข้อฝึกหัดหรือเป็นข้อฝึกหรือฝึกพฤติกรรมทางกายทางวาจาฝึกอาชีพตนเองให้สะอาดบริสุทธิ์เห็นไหมแบบสภาวะนิยมเป็นศีลเป็นข้อฝึกเป็นข้อข้อเรียกว่าสิกขาบทเนี่ยแต่ละข้อแต่ละข้อเป็นข้อฝึก ฝึก ก, า, า, ยงงก า, ายสะอาดยังไงฝึกว่าใจสะอาดยังไงฝึกอาชีพให้สะอาดยังไงแต่และข้อละข้อทั้งนั้นเป็นระบุกระบวนการการฝึกเลยส่วนศีลแบบเทวานิยอมเนี่ยไม่ใช่ข้อฝึกแต่เป็นข้อห้ามห้ามตุม้มตุๆมตุมตุ ม, ต ม, ตมเลยไม่ใช่ข้อฝึกห้ามทําหรือเป็นคําสั่งห้ามมาจากเบื้องบนเลยในนี้ห้ามทันทีโดยไม่บอกเหตุและผลแต่สภาวะนิยมเนี่ยเป็นข้อฝึกทีนี้ แรงจูงใจที่ต้องการให้การปฏิบัติแบบศีลแบบแบบสภาวานิยมได้แก่อาการระวตีศรัทธาก็คือความมั่นใจในกฎธรรมดาโดยมีความเข้าใจพื้นฐานพอมองเห็นว่าพฤติกรรมและผลของมันต้องเป็นไปตามทางตามแนวทางของเหตุปัจจัย <S <S เห็นไหมลักษณะแบบนี้อ๋อจากการที่ศรัทธาแบบหรือความการปฏิบัติแบบสภาวานิยมหรือสภาวธรรมเนี่ยเป็นได้แก่ อ า, าอาการะอาารระวตีสรัทธาคือการความมั่นใจมั่นใจในไหนมั่นใจในพระพุทธเจ้าและมั่นใจในกฎธรรมดานะถ้าใครฝึกไปแล้วจะเข้าถึงความเป็นธรรมดาธรรมชาติอย่างเช่นว่ามนุษย์ฝึกไปแล้วจนสามารถเข้าถึงความเป็นมาตถาคตได้จนสามารถได้ปัญญาที่แทงตลอดสัจจะความจริงเป็นต้นได้โอ้เห็นอย่างนี้เราชอบว่าเอออันนี้เป็นการประพฤติปฏิบัติเป็นไปตามแนวข้อเหตุและผลนี่ โดยมีความเข้าใจขั้นพื้นฐานมองเห็นว่าพฤติกรรมและผลของมันจะต้องเป็นไปตามแนวทางของเหตุและผลว่าเหตุสร้างเหตุอย่างนี้ผลอย่างนี้เกิดขึ้นสร้างเหตุอย่างนี้ผลงนี้เกิดขึ้นนี่เป็นเรื่องของเหตุและผลเลยเช่นถ้าทํากรรมชั่วมีกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตเ น, นี่ยเบื้องหน้าแตายเพราะกายแตกอบายทุกติวิธิวานรกทํากายยัตสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกสุกติโลกราลไม่เรื่องเหตุเรื่องผลไม่เรื่องใครจะมาบงการหรือไม่บงการ ส่วนแรงจูงใจที่ต้องการในการปฏิบัติศีลแบบเทวนิยมเนี่ยแบบระที่เทวนิยมก็จะเกิศรัทธาแบบพักดีนะเชื่อยอมรับทำตามสิ่งที่กำหนดว่าเป็นเทวประสงค์แล้วก็มอบความไว้วางใจอย่างสิ้นเชิงโดยไม่ต้องหาเหตุและผลของพุทธศาสนาไม่ได้เป็นแบบนี้นะต้องหาเหตุผลเพื่อของเราอันนั้นบอกไม่ต้องเชื่อเลยปักใจยอมรับแล้วแต่พุทธประสงค์เอาความจงรักภักดีไปไว อีกอย่างหนึ่งในแบบสภาวณนิยมคือการรักษาศีลคือการฝึกตนเองในทางความประพฤติเริ่มตั้งแต่มีเจตนาที่จะงดเว้นจากการฆ่าเจตนาที่จะงดเว้นจากการลักเจตนาที่จะงดเว้นจากการประผิดในการเจตนาที่จะงดเว้นจากการพูดเท็จส่อเสียดคำหยาเพื่อเจอเจตนาที่ละไม่ฉาชีพทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นเห็นไหมมาจากเจตนานั้นๆจนถึงความประพฤติดีงามต่างๆที่ตรงกันข้ามกับความชั่วนั้นๆเอาเลยสิเห็นไหมเป็นเจตนาละชั่วก็ทําดี อย่างนี้เป็นต้นส่วนแบบเทวนิยมรักษาศีลก็ด้วยการเชื่อฟังและปฏิบัติตามเทวกรรมการโดยเคร่งครัดโดยเคร่งครัดเลยในแบบสภาวะนิยมเนี่ยการประพฤติปฏิบัติในขั้นศีลมีวัตถุประสงค์เฉพาะคือเพื่อเป็นบาตรฐานของสมาธิเป็นระบบการพัฒนาถึงพร้อมและสามารถในการใช้กําลังงานของจิตให้เป็นบาดฐานของปัญญาและนําไปสู่ความหลุดพ้นเป็นอิสระ นี่เป็นอย่างนี้ส่วนการได้เกิดเป็นมนุษย์ก็ดีสวรรค์ก็ดีเป็นเพียงผลพลอยได้ในระหว่างตามธรรมดาของเหตุปัจจัยโอ้ในการแบบสภาวะนิยอมเป็นการปฏิบัตินี่มีวัตถุประสงค์เนี่ยคือการเป็นฐานของปราโมดปีติปจัตติสุขและสมาธิสมาธิเป็นปฏิฐานปฏิบัติการของปัญญาปัญญาก็เพื่อจะรู้เห็นตามความเป็นจริงเพื่อความหลุดพ้นเป็นไปตามเหตุปัจจัยอย่างนี้แต่ถ้ายังไม่ถึงเป็นมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติเนี่ยอันนี้เป็นผลพลอยได้ อย่างงี้นะแต่เทวานิยมเป็นการประพฤติตามเทวองค์การเป็นเหตุให้ได้รับความโปรดปรานจากเบื้องบนเป็นการประพฤติถูกต้องตามเทวประสงค์นะและเป็นเหตุให้ทรงประทานรางวัลด้วยความส่งไปเกิดในสวรรค์โอ้ปฏิบัติตามมีคนเมื่อเราปฏิบัติตามเทวองค์การเนี่ยเทพเจ้าทั้งหลายเหล่านั้นก็จะส่งให้ไปเกิดในสวรรค์นี่ความต่างกันไหมต่างไม่ต่างในสภาวะนิยมผลดีคือ ผลดีผลร้ายนี่นะแบบสภาวัธรรมหรือสภาวันิยมผลดีหรือผลร้ายของการประพฤติหรือไม่ประพฤติศีลเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นไปเองโดยธรรมชาติเป็นเรื่องของการงานอย่างที่เป็นเที่ยงธรรมเป็นกลางเป็นกฎของธรรมชาติที่เรียกว่ากฎแห่งกรรมนะซึ่งให้ผลตั้งแต่ต้นแต่ในจิตใจกว้างออกไปจนถึงบุคลิกภาพชีวิตทั่วไปของบุคคลนั้นไม่ว่าในชาตินี้หรือชาตินะ เอายกตัวอย่างถ้าเรารักษาสีลเจตนาที่เป็นไบกับกุศลศีลสภาพจิตใจที่สะอาดเอียรมองผ่องแผ้วมันเกิดเจตนาดีเนี่ยเจตนาที่จะงดเว้นจากความชั่วเจตนาที่เป็นไบกับกุศลเจตนาที่เป็นไบกับบุญเจตนาที่จะทำให้สภาพจิตใจเนี่ยสะอาดเอียรมองผ่องแผ้วจิตแข็งแรงจิตตั้งมัน่น จิตที่เป็นไปกับความสุขจิตที่เป็นไปความชานฉลาดนี่มันมันได้จิตใจแล้วต่อมาก็ออกมาเป็นบุคลิกภาพที่เยี่ยมอ่องสะอาดบุคลิกภาพแสดงออกมาทางกายทางวาจาและพฤติกรรมทั้งหลายเหล่านี้ก็ออกมาด้วยความเรียบร้อยดีงไงเห็นไหมส่วนจะให้ผลในการได้ราบเสริมราบได้ราบได้ยอดสุขสารเสริญในปัจจุบันนี้ในชาติชาติต่ อ, ตอไปอันนั้นก็เป็นผลสืบเนื่องกันไปนี่เรื่องเหตุและผลและในตรงกันข้ามถ้าประพฤติปฏิบัติที่ไม่ดี ก็ให้ผลสภาพจิตใจที่ชั่วทั้งหลายในจิตใจจิต ท, ที่เศร้าหมองจิต ท, ที่เครียดจิต ท, ที่วิตกกังวลสก่อความทุกข์ไม่เป็นไปกับปัญญาพฤติกรรมก็ออกมาอย่างโหดเทียมทั้งหลายบุคลิกภาพก็น่าเกลียด น, น่ากลัวตลอดถึงผลเสียหายตามมาอย่างไงเนี่ยนเข้าใจคำว่าสภาวะนิยมเป็นไปตามธรรมดาเป็นอย่างนี้ส่วนเทวนิยมเนี่ยในส่วนเทวนิยมก็คือผลดีผลร้ายของการรักษาหรือละเมิดศีลนั้นเป็น เป็นการให้ผลตอบแทนนะีผลดีคือการได้ไปเกิดในสวรรค์เป็นผลเป็นรางวัลส่วนผลร้ายคือการไปเกิดในรกเป็นฝ่ายการลงถูกลงโทษการจะได้ผลดีผลร้ายเนะี่ยสุดแต่คําพิภากษาสุดแต่คําวินิจฉัยเนี่ยไม่ต่างกันอย่างนี้นะจากเบื้องบนแล้วแต่คําพิภากษาและคําวินิจฉัยของเบื้องบนนะไม่ได้อยู่ที่ว่าการประพืชปฏิบัติสร้างเหตุยังไงได้ผลอย่างนั้นอยู่ที่ผู้พิภากษาหรือว่า เทวะองค์การจะวิฉัยลงโทษยังไงเออท่านในพูดถึงในเรื่องของในแง่ของจิตใจในเร่ของความเข้าใจเกี่ยวกับความดีความชั่วสภาวะนิยมสภาวะธรรมสอนว่าความดีเป็นคุณค่าที่รักษาและส่งเสริมคุณภาพจิตใจทำให้จิตใจสะอาดผ่องแผ้วบริสุทธิ์หรือยกระดับจิตให้สูงขึ้นเรียกว่าบุญ หรือเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความเจริญงอกงามแก่ชีวิตจิตใจเป็นไปเพื่อความหลุดพ้นเป็นอิสรภาพทางจิตใจและทางปัญญาด้วยเป็นการกระทําที่ชาญนฉลาดดำเนินตามวิถีแห่งปัญญาเอาื้อเอื้อแก่สุขภาพจิตเรียกว่ากุศลด้วยส่วนชั่วก็เป็นสภาพที่ทำให้คุณภาพของจิตใจเสื่อมสูเสียเสื่อ ม, มโทรมด้วยทำให้ต้องตกต่า เรียกว่าบาปเป็นสิ่งที่ทําให้เกิดความเสื่อมทรมแก่ชีวิตจิตใ จ, จเป็นไปเพื่อไม่เป็นไปเพื่อความหลุดพ้นแต่เป็นการกระทําที่ไม่ฉลาดไม่เอือ้อแก่สุขภาพจิตเรียกว่าอากุศลเรียกว่าบาปนี่เป็นงี้ส่วนเทวนิยมในความดีความชั่วกําหนดด้วยศรัทธาแบบพักดีต่อเทวะนะคือถือเอาการเชื่อฟังและการปฏิบัติตามเทวะประสงค์และเทวะบัญชาหรือไม่เป็นหลักโดยเฉพาะก็คือว่าความชั่วก็หมายถึงการผิดหรือการล่วงละเมิดต่อองค์ของเทวะในรูปใดรูปหนึ่งนี่ต่างกันอย่างนี้ ทีนี้ประการต่อมาคือว่าในศีลเนี่ยในขั้นพื้นฐานที่ต่างกันก็คือว่าถ้าไม่เกิดความต่างกันก็คือว่าอย่างน้อย2ประการนะหนึ่งศีลในแบบสภาวะนิยมหรือสภาวะธรรมเนี่ยจึงต้องเป็นคำสอนที่ต่อเนื่องกันตามเหตุและผลเป็นระบบจริยธรรมไล่ไปตามลำดับศีล ส, สมาธิปัญญาไปต้อนอันนี้ เพราะผู้ฝึกเนี่ยจะปฏิบัติได้ถูกต้องก็ต่อเมื่อมีความรู้มีความเข้าใจในเหตุและผลที่เกี่ยวข้องเป็นพื้นฐานด้วยงั้นถ้าหากว่าเราไม่มีความรู้มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งอย่างถูกต้องดีงามแล้วจะปฏิบัติไม่ถูกแบบสภาวธรรมเนี่ยหรือสภาวนิยมเนี่ยส่วนศีลหรือจริยธรรมแบบเทวนิยมเนี่ยเป็นการประกาศเทวะองค์การหรือคําแถลงการตามเทวประสงค์เป็นเรื่องหรือเป็นเรื่องเรื่องเป็นก็ข้อกันไปเนี่ย แม่นามารวมกันไว้ก็ย่อมเป็นประมวลไม่ใช่เป็นระบบเพราะผู้ที่จะปฏิบัติต้องเขาต้องทําการเพราะผู้ที่ปฏิบัตินั้นต้องการความเข้าใจอย่างมากก็เพราะในความหมายของสิ่งที่จะต้องปฏิบัติเท่านั้นนะผู้ปฏิบัติตามเทวะองค์การไม่จําเป็นต้องเข้าใจในระบบไม่ต้องเข้าใจเหตุผลที่เกี่ยวข้องเพราะถือว่าระบบและเหตุผลต่างๆทั้งปวงอยู่ในพระปีชาของเทวะองค์การทั้งหมดแล้วอันเป็นผู้ปฏิบัติ ผู้ปฏิบัติตามไม่ต้องสงสัยเนี่ยเชื่อฟังมอบความไว้วางใจและปฏิบัติตามเทวาิการเป็นพอเนเนี่ยลักษณะนี้คือจุดต่างกันแล้วทีนี้ศีลในระบบจริยธรรมแบบสภาวะธรรมเป็นหลักเป็นกลางๆเป็นสากลกำหนดโดยข้อเท็จจริงตามกฎธรรมดาธรรมชาติหมายถึงเป็นสารถาของศีลน่ ไอตัวสารถาตัวเนื้อในของศีลในทางธรรมะที่เกี่ยวกับเป็นบุญเป็นบาปไม่ใช่โดยความหมายทางวินัยนะอันเป็นการลงโทษในสังคมเช่นพิจารณาผลก็คือปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในกระบวนการการทํางานของจิตใจก็ส่งผลมาที่พฤติกรรมบ้างนิสัยบ้างบุคลิกภาพเป็นต้นบ้า ง, รรางจึงไม่อาจจะวางข้อจํากัดแยกแยะให้เป็นผลและพวกเฉพาะกลุ่มหรือตามแต่จะพอใจเช่นไม่จํากัดว่าคนาศาสนานี้เท่านั้นจึงจะมีกรุณา เป็นจริงจะเป็นคนดีศาสนาอื่นมีกรุณาเป็นคนดีไม่ได้เงี้ยไม่ใช่อย่างนั้นฆ่าคนศาสนานี้เท่านั้นจะเป็นบาปฆ่าศาสนาอื่นไม่เป็นบาปไม่ได้เป็นลักษณะอย่างนั้นซึ่งมันผิดส่วนเทวนิยมเนี่ยย่อมกําหนดจํากัดขยายออกไปตามเทวประสงค์เป็นนิติบัญญัติเป็นองค์ของเทวทรงที่บัญญัติตามกฎหมายตามคําพิพากษาเองเป็นต้นอะไรเนี้ยนั้นถ้ามองหลักการในคําสอน ศีลเนี่ยเนื่องจากศีลที่เป็นหลักกลางๆกางําหนดด้วยข้อเท็จจริงตามกฎธรรมดาธรรมชาติตามคําสอนที่พระเจ้าบอกไว้เนี่ยผู้ปฏิบัติจริงต้องเป็นผู้กล้าและยอมรับและกล้าเผชิญหน้ากับความจริงหลักการตัวนเนี้ยนะต้องกล้าเผชิญหน้ากับความจริงความดีความชั่วความถูกความผิดที่มีอยู่เป็นข้อเท็จจริงอย่างไรก็ต้องกล้ายอมรับความจริงตามที่เป็นเช่นนั้นส่วนตนจะปฏิบัติได้หรือไม่แค่ไหนอย่างไรเนี่ย ก็เป็นเพียงอีกเรื่องหนึ่งและต้องกล้ายอมรับการที่ตนเองปฏิบัติดีไม่ดีตามข้อเท็จจริงนั้นๆไม่ใช่ถือว่าไม่ชัว่วเพราะตัวอยากทําสิ่งนั้นข้อเท็จจริงตามธรรมชาติไม่ได้ขึ้นตอ่อความอยากหรือไม่อยากใช่ไหมถ้าเราประพฤติปฏิบัติได้ถูกต้องก็เป็นการปฏิบัติได้ถูกต้องสิ่งดีๆทั้งหลายก็เกิดขึ้นเนี่ยการศึกษาในคําสอนพุทเจ้าก็ต้องกาพุทธเจ้าสอนหลักความจริง น, นี่ก็ต้องกล้าที่จะยอมรับถ้าเราทำสิ่งที่มันไม่ดีไม่งามหรือ ถ้าผลที่มันไม่ดีเกิดขึ้นจากการที่ปฏิบัติผิดทั้งหลายก็ต้องการยอมรับความจริงถนะึงนใช่ไหมแต่ไม่ใช่ไปมองว่าโอ้โหไปไพ่ว่าไอ้สิ่งอื่นมาลงโทษเราคนส่วนใหญ่เป็นไ ง, ไงั้นไหมฉะนั้นการพิจารณาแบบศีลแบบเทวองค์การก็คือว่าตัดการพิจารณาเรื่องถูกผิดจริงหรือไม่จริงออกเสียเนี่ยถ้าเป็นแบบถ้าศรัทธาแบบจงรักภักดีแล้วเนี่ย ย่อได้ผลในทางปฏิบัติที่รวดเร็งแรงเล่ารุนแรงทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นเหลนี้คนทั้งหลายโดยทั่วทั่วไปก็แยกไม่ออกนะแยกไม่ออกในสภาวธรรมต่างๆตรงเนี้และสิ่งต่างๆพอพูดมาตรงนี้พอจะมองเห็นไหมยากไหมเข้าใจยากไหมศีลแบบสภาวธรรมกับแบบเทวะวิการยากไหมยากมีความต่างกันไหมผลที่ได้รับต่างกันไหม คนที่ได้รับต่างกั น, นอย่างเราเราที่ได้ศึกษาในเรื่องเหตุและเรื่องผลมาแล้วก็เข้าใจแต่คนทั่วไปเนี่ยที่ไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจเนี่ยพอความมอบความไว้วางใจความจงรักภักดีให้กับองค์เทพพระเจ้าเส็จแล้วเนี่ยก็หมดกันแล้วก็ตนเองจะได้ดีตกยากยังไงก็ล้วนแต่เทพพระเจ้าเป็นผู้บงการอันนี้ก็ทีนี้ก็เลยกล้าตนเองไปทําผิดทำอะไรต่างขึ้นมาก็ไปสารภาพ พอสารภาพขึ้นมาก็เอามาทำดีไถบาปพอทาดีไถบาปเสร็จเสร็จก็ยอมอุทิศตัวเองให้กับพระผู้เป็นเจ้าอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วถ้าตายไปแล้วก็โอ้เป็นการาได้รับรางวัลได้สุคติเป็นข้อแรกเปลี่ยนนี้หรือในวันสิ้นโลกเทพเจ้าเหล่านี้ก็จะมีม่นหน้าที่ในการหยิบดวงวิญญาณมาพิพากษา เออมาหนะมาหยิบเพื่อดิบดวงวิญญาณก็เน้นขึ้นมามัดูว่าเออนับถือเราจงรักภักดีปฏิบัติอะไรพวกเราหเห อ, อ้าวไม่เคยเลยนี่ก็โยนลงนรกไป <c oughs> ยังี้มาจับดวงวิญญาณมาพิพากษาส่วนใครที่กล้าอุทิศชีวิตแก่เทวองค์การบุคคลเหล่านี้ก็ได้สิทธิพิเศษไม่ต้องรอคำพิพากษาตายแล้วไปสวรรค์ได้เลยไ อ, อ้อยางเงี้ยนะ ไอ้กรณีอย่างเงี้ยมันก็เป็นการที่ถ้าใครไปเชื่อหลักการตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็กลายเป็นโอ้โหนี่ก็ขัดแยง้งอันนี้คือความเห็นนะนี่คือปัญหาของมนุษย์ปัญหาของสัตว์แต่หลักการสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนบอกว่าคุณจะนับถืออะไรหรือไม่นับถือถ้าคุณฆ่าสัตว์รักษาประพฤติผิดในการมไม่ได้เกี่ยวกับคุณจะนับถืออะไรแต่ก็เป็นบาปเหมือนกันหมดเป็นสอนหลักความจริงกดความจริงอย่างเนี้ย ฉะนั้นในการที่บุคคลที่จะมานับถือคำสอนพรนะเจ้านั้นจึงต้องหนักแน่นที่เหตุและผลหนักแน่นที่ปัญญาใช่ไหมอันนี้แะถ้าเราพัฒนาปัญญาได้เมื่อไหร่เนี่ยโอ้มนุษย์ก็จะเจริญรุ่งเรืองเอาแล้ววันนี้ก็ได้ชั่วโมงครึ่งแล้วมั้งถึงยังเออชั่วโมงครึ่งพอดีอสมควรแก่เวลาเอาไว้พรุ่งนี้ค่อยต่อกันเอาขอมทนาน